อาจารย์ครับกล่าวนำมรสการครับผมเจริญกรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่เก้าสิบสองครับอาจารย์ครับผมขึ้นชื่อเรื่องทางสายกลางครับอาจารย์ครับอาจารย์วันนี้วันพระกับวันอาทิตย์อีกแล้วมีคนไปใส่บาตรเยอะไหมครับผมวันนี้ก็สี่ร้อยสามสิบ้าประมาณสี่ร้อยสามครับผม วันนี้น้อยกว่าาที่ที่แล้วใช่เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีวันพ่ายวันแยกไปอ๋ออ๋ออ๋วันนี้ไม่ตรงใช่ไหมครับอ๋อวันนี้แยกกันครับครานี้เลยแยกกันวันนี้ไปประมาณสามร้อยบาทคนพักคนที่ใส่บาทพันพักกับคนใส่วันนะั้นที่นี่นเป็นคนละกลุ่มเป็นนะครับผม่บางทีก็มาเจอกันเวลาที่มันตรงกันนะครับ อาจารย์ก็จำจำได้เกือบหมดทุกคนแล้วเจอทุกวันเจอกันทุกครั้งทุกคราจชื่อจำชื่อไม่นานไม่รู้ไม่รู้จักชื่อแล้วาถามเขาเรื่อยว่าอยู่ที่ไหนพอเขาตอบแล้วเข้าหน้าพอเจอก็ถามอีกแต่แตจําหน้าได <c oughs> ไ้จะได้เก็บสถิติว่ามาจากที่ทางไหนบ้างคร<ำ>ับ <c oughs> ไม่สถิติเพื่อจะได้รู้ว่ามีใครมาจากที่ไหนนบ้าง ก็มีทัท้งทุกแขกทุกคนนะ บ, บางคนก็มากลก็เเชียงใหม่ก็มีบางทีก็ภัคใต้ก็มีแล้วแ ต, แต่ต่างประเทศก็มีชาวอินโดก็มาก็มีหลายด้วยกันเขารู้เวลาที่เราบินสบายเขา ร, รูทางอะไรเขาก็มาวันนี้ก็มาพักที่ลรงแรมที่เือาบินสบายผ่านไปเลยก็มีบางโรงแรมก็จัดโต๊ะ อ่าหารอะไรให้ัใส่บาตก็ได้ไม่ต้องไปไปหาซื้อของมาใส่บาตโรงแรงมนั้นดีมากเลยนะครับอาจารย์เด็กมีเปิด์ห้องแล้วก็มีของไว้เตรียมไว้ใส่บาตกับเบอร์หออ้องเรียบร้ อ, อใช่จัดเตรียมไว้หมดเลยเพื่ อ, อความสะดวกของลูกค้าแสดงว่าเจ้าของโรงแรมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ใช่ไหมครับก็ใส่บาตทุกวันก็ใส่เป็นประจำาว<อ>ใส่เป็นป ร, รับครับครับ อาจารย์ครับวันนี้ขึ้นชื่อทางสายกลางเพราะบอกว่าหลายๆหลายๆครั้งผมก็ได้ยินกันว่าทางสายกลางอยู่ด้วยครับอาจารย์บางคนก็ปฏิบัติแบบสบายๆไม่แข้งอะไรเลยก็บอกว่าหนึ่งนี้แหละเรียกว่าทางสายกลางบางคนก็เอาทุกอย่างก็บอกทางสายกลางผมก็เลยเออถ้าตรงทางสายกลางที่แท้แล้วคืออะไรในในความหมายของศาสนาพุทธครับอาจารย์ครับกับความไม่เดิมทีออริจินัลของคําว่าทางสายกลางก็คือทางที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรุป ทางที่นำไประสบการลดทุกจากความทุกขทั้งปวงได้อย่างแน่นอนต่างกับทางที่ก่อนหน้านั้นจะมีวิธีหาวิธีดับทุกข์อยู่สองทางด้วยกันที่เรียกว่าการมาสุขะอะไรเนี่ยคือการใช้ความสุขทำรูปเสียงกลิ่นรสมาดับเช่นเวลาเราเบื่อเซ็งไม่รู้จะทําอะไรก็ไปที่ยวกันเอ ความเบื่อความเซ็งนี่ก็เป็นความทุกแล้วครับไปเที่ยวกั น, นก็เพื่อเพลินสนุกสนานในยากันไปช่วยรูวความเสงความเบื่อก็หายไปแล้วก็กลับมาอยู่บ้านได้สัปดาห์เดียวก็กลับมาใหม่ก็ไปเที่ยวใหม่อันนี่ครพระพเจ้าก็เคยทดลองทำนี้มาก่อนเป็นเจ้าชายสิทธาแล้วมีความสุขทำรูปเสียงดีลดปวดทาพระหอมล้อมอยู่ตลอดเวลา มีภาษาส า, สามฤดูแต่ว่าผมก็ยังมีความไม่ไม่ไม่สบายใจอยู่ไม่ได้ดับได้ด้วยการใช้การใช้การประสขแล้วก็มีอีกพวกหนึ่งที่สวหัหดการดับความทุกข์ด้วยการทรมานร่างกายด้วยวิธีการตา่างๆที่เราของแหลมของคมมามาทิ่มแทงร่างกายแล้ว ม, มันเจ็บปวดเล้จะได้ มีพลังสู้อวาเจ็บปวดนะจะทําให้ความทุกข์หายไปความทุกข์มันก็ไม่หายไปพระเจ้าก็ทดลองทางนี้มาแล้วในการอดพระกยาหารถึงสี่สิบเก้าวันไปกันอันนี้ก็ไม่ใช่ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์หลังก็บรรวิเคราะห์ู่ก็เห็นว่าความทุกข์มันอยู่ในใจโดยเฉพาะความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายนี้ทําไงก็ไม่ดับด้วยการมาสุขทําไงทามานร่างกายยางไง ถึงปวดตาหันเกิดจะตายความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายมันก็ยังอยู่พระทรงเห็นว่าองมันไม่ได้อยู่ในอยู่ในหร่างกายความทุกข์นี้มันอยู่ในใจก็เลยทรงย้อนกลับมาปฏิบัติสรรมถะและวิะปัสสนาก็ทรงเห็นว่าตอนที่ทําใจให้สงบนั้นตอนที่สมถะภ า, าวนาจิตรวมเป็นสมาธินี้ความทุกข์หายไปหมด เพราะฉะนั้นจิตไม่ได้คิดถึงเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ไปรับรู้เรื่องของร่างกายมันก็เลยไม่เท่า ก, กับร่างกายแต่พอออกมาจากสมาธิมาสัมผัสรับรู้กับเรื่องร่างกายก็จะความทุกข์เหมือนเดิมก็ยังกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายอะไรต้องมีคาะด้วยปัญญาว่าความทุกข์นี้และความกลัวนี้มันเกิดจากอะไระ ก็เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองอยากจะอยู่ไปนานๆเพราะต้องการใช้นาำกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขแต่น้ำกายมันก็ไปของไม่เที่ยงพิจารณาก็เห็นว่าเป็นตายแล้วเป็นนิจจำไม่เที่ยงถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้มันเป็นไปอยากให้มันเที่ยงก็จะทุกข์อาพิจารณาเห็นว่าปัญหาความทุกข์เกิดจากความอยาก ทำไปยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไป น, นานๆแต่ก็พอเห็นความจริงว่ามันไม่เทียยงมันต้องกิดที่เจ็บตายไปเป็นธรรมดาก็เลยสรุปมองได้ว่าความทุกข์ใหญ่เกิดจากความอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอหยุดความอยากนี้ได้ไปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็ บ, ใ ห, จบให้มันตายไปทุกข์ก็ดับไป ใจก็ไม่ถูกกับร่างกายต่อไปอันนี้ก็เป็นการพบา ก, การละสังโยชน์สามข้อแรกก่อนข้อแรกก่อนคือสกายาทิติการไปยืนไปเถยว่าร่างกายเป็นตัวเราของเร า, ารมันจึงเป็นของธรรมชาติแล้วก็พยายากให้มันเทียมมันก็ไม่เทียมมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเห็นความจริงแล้วเรารับความจริงได้เพื่อจะได้ไม่ทุกข์ก็หยุด ปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายใจก็ไม่ถูกข์ก็เลยส่งภพทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เกิดจากตัณหาความอยากนี่เรื่องเกี่ยวเรื่องรางกายก็คือการมัตหาแล้วเกี่ยวกับเรื่องจิตก็ภาวนาวหาวิาวิภาวนาสามตัวนี้พอพิจารณาละสามโยละความอยากทั้งสามตัวนี้ได้จิตก็หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์ ไม่ทุกกับร่างกายไม่ทุกกับเวทนาไม่ทุกกับจิตไม่ทูกกับอารมณ์ ต, ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตพิจารณาเห็นว่ามันเป็นตายรักทั้งหมดเนี่คือทางสายกลางที่พระเจ้าทรงค้นพเป็นทางที่นําไปสู่การดับความทุกขได้อย่างคาวร ก, ก็สรุปลงที่มรรคแปดเองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมา กัมมโฑสัมมาวาจาสมาชิโรสัมมาวายามุสัมมาสติสมาสมาธิส่วนที่เราใช้กันว่าเป็นทางสายกลางเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้ก็หมายถึงว่าถ้าเข่งเกินไปมันก็ตึงมันก็มันก็เครียดได้ถ้าหย่อนเกินไปมันก็ไม่ได้ผลก็ส่งเปรียบเทียบเหมือนกับทางเหมือนกับสายพินที่พู้เจ้าส่งเปรียบเทียบ กาที่ส่งเคร่งกับการทรมานร่างกายมันก็เขร่งเกินไปมันก็ไม่ถ้าไปหย่อนไปหาความสุขจากการมรสุมมันก็หย่อนเกินไ ป, ไ, ปไม่ภาวนาไม่หยับความทุกข์วยการไปดูไปฟังอะไรต่างมันก็หย่อนต้องให้มันพอดีกว่าดีไม่เขร่งเกินไปอาหารก็กินพอสมควรไม่คิดแต่ไม่ถึงกับต้องต้องโดยนกระทัางให้ร่างกายมันตาย ก็ไม่เลยแต่ก็ไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารให้รับประทานอาหารเพื่อประทานชีพแต้วต้องถือสินแปดขึ้นไปพวกที่ยังต้องการจะเจริญมากต้องในการถือสินแปดขึ้นไปสินแปดสินสิบสินสองยย่เจ็ดเนี่ยแล้วก็จเจริญสตินั่งสมาธิให้ใจรว้เป็นผู้เบคา พอใจเป็นหน่วยบ่าาก็หยุดความอยากได้กาพิจารณาด้วยปัญญาให้มากความอยากนี้เป็นตัวที่ทําให้การกับความทุกข์ไม่ทําตามความอยากพอไม่ทําตามความอยากความอยากมันก็หมดกําลังลไม่สามารถมาสร้างควบทุกข์ให้กับใจได้ต่อไปอันนี้ทางปฏิบัติ ก, ก็ก็พูดถึงประเด็มืนันแนวเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของการพอดีระหว่าง นั่งกายกับจิตใจถ้าเราทรามานนั่งกายเกินไปมันก็อาจจะทําให้มีปัญหาได้น่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรขึ้นมาเพราะะั้ไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติได้ถ้าอยู่ดีกินดีเกินไปมันก็ทําให้ขี้เกียจนันไมกินเยอะๆมันง่วงนอนอยากจะนอนไม่อยากภาวนาเร่ก็ต้องให้มันพอดีน่างกายก็มีอาหารพอหล่เลี้ยงได้จะไม่ถึงกับให้มัน อิ่มอิ่มน้ำสำราญใจจะน่าเกิดความเกตียดคันในการปฏิบัติและอีกอย่างหนึง่งเรื่องทา ง, ทางสายการที่บางทีพูดถึงกันก็คือเรื่องของความกำลังของผู้ปฏิบัติทางสายการของแต่ละคนนี้มันอาจจะไม่เท่ากันเพราะอยู่ที่กำลังของผู้ปฏิบัติว่ามีมากมีน้อยต่างกันอย่างไรวอมีกำลังมากก็ปฏิบัติได้มาก คนมีกําลังน้อยก็ปฏิบัติได้น้อยก็อย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับกําลังของแต่ละคนว่าจะนําได้กี่ชั่วโมงนี้เป็นต้นมันก็นั่งได้ครึ่งชั่วโมง้มากกว่านั้นก็ไม่ไหวบางคนก็นั่งได้สองชั่วโมงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องวัชิราเฉพาะบุคคลให้พอดีกับกําลังของเราเร า, เราทําได้มากน้อยเท่าไหร่เราก็ทำ อันนี้ละามาั่นเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ว่าจับคนอืนไม่ว่าจับคนที่เขาปฏิบัติได้กับเรามันมก็จะทําให้เราอถอยหลังได้ถ้าวัดกัคนที่เขาสูงกว่าเราเก่งกว่าเราเราจะทําไม่ได้ก็จะทําให้เราท้อแท้ได้มันกําลังใจนั่ก็ให้ถือดูกําลังของเราว่าเราทําได้เท่าไหร่เราทำไปก่อนแล้วกค็ค่อยเพิ่มการปฏิบัติของน้อยมากขึ้นไป ตอนนั้นตอนก็อาจจะแค่ครั15นาที20นาทีวันละครั้งสงครั้งไปอาจจะเพิ่มเป็นขึ้นชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งถ้าได้ผลดีแล้วอาจจะนั่งหลายลายรอบใ้กันแค่นี้แค่รอบเดียวสองรอบก็อาจจะทำหลายๆรอบหรือบางทีก็วันไหนที่ว่างก็ไปปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนอะไรก็ได้อันนี้ก็เราปรับไปเรื่อยๆตามกำลังของของใจ ของทำที่มีเรยใจมีสติมากมีความสงบมากก็จะมีกำลังมากขึ้นไปไถ้าอย่างนี้เวลาผมพิจารณาว่าทางสายกลางตรงไหนก็ดูที่มากแปดเป็นหลักไปก่อนครับก็เรื่อมากแปดเพียแต่ว่าเราจะปฏิบัติได้มากน้อยเพีเยงใดครับปฏิบัติได้เจ็ดวันหรือสามวันขึ้นเขาเวลากี่วันสามวันหาวันเจวัน เนสามเดือนไม่อยู่อย่างคุณสมบัตินี้มาทุกอยู่ประมาณเกือบเดือนแล้วก็กลับบ้านไปสามสวันแล้วก็กลับมาทำมาหลายปีแล้วหน้าตาสดใสมากทำไม่รวะ พ, พี่เขาบอกว่าเขาต้องไปจัดการเรื่องพี่น้องอยู่ครับนั้นครับใช่แต่ละคยก็ยังมี มีมีห่วงแล้วมีห่วงแล้วมีภาระที่ไม่สามารถที่จะตัดได้ก็นํำปฏิบัติไปตามกำลั ง, งตอนนี้รับสถานภาพของตอนไปก่อนคนที่กลับรดภาพระบิณฑบาตคนเก่าก็ไปบวชแล้วเนี่ยที่เป็นฐานเรือเมื่อกาอนมี้ย่งคนหนึ่ง oh. เป็นเป็นจ่าแล้วเป็ น, ปนในเขาเรียก ใช่ค่ะเรียกบวดบ้างค่เขาเรียกว่าบวดเนียอ๋อเปผมก็ว่าหบวดได้ 2, สองพรษาละไปบวดได้ 2, สองรษาอยู่ทางภาคสานอ๋อการบูชเาอยู่บูชคำยสงภามาหลายปีนะความเพียรเขาทำนิพวนสาลาความเพียรทำๆอยู่าาเรื่อยปฏิบัติอยู่นานพ อ, อ, อพรอมแล้วก็ลูกโตแล้วลูกเนียนจบแล้วไม่มีภาระนั่นทำหวต้องนิน้วโกก็เล เสียณแล้วจาจการาชการมาดีครับครับวันนี้ได้ได้ขัญญนยบผมแต่ละคนภาวะไม่เหมือนกันนัจะไปเอาแบบแต่ละคนมันก็นไม่น่าต้องดูดูกำลังหรงเราดูภาวะสิ่งแนดล้อมที่เรามีอยู่ัไม่เหมือนกัน อันนี้ขอโอกาอสพระบอาจารย์ครับพรุนี้ผมก็หลังบ้านผมก็สร้างที่เอาไว้ตีวิเวกอะไรแล้วครับกาลังจะเสร็จเรื่องง่ายก่อนก็ได้จะได้ไม่ต้องเดินทางไกลเราจั ก, กตัวเก็บตัวไม่ยุ่งเกี่ยวใครว่าที่นี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมอย่าลบเปื้อนอันนี้กําลังสร้างจะเสร็จแล้วครับรอาจารย์ครับ <c oughs> เป็นเป็นที่เ <c oughs> ป็น<ม>ถ้ามีลูกศิษย์หลายคนเขาก็เข้ามาทำสร้างที่พักของเขาเพื่อปฏิบัติธรรมที่บ้านครับแยกออกมาจากตัวบ้านแล้วก็ไปอยู่ในโซนไม่มีค่าครับ ไม่เกี่ยวข้องกับใครเวลาที่เรารังสรรค์ปฏิบัติกับอกวง่อไปวันนะหนึ่งวันหรือหายวัน่อใกล้ๆถ้าไม่มีธุระอะไรจะเป็นกาอย่างมันก็พ้นนะครับวันนี้วันนี้สร้างเกือบเสร็จแล้วครับอีกน่าจะเดือนสองเดือนที่เสร็จแล้วครับอาจารย์เป็นแบบกติง่ายๆใช่ไหมแบบที่พักง่ายๆใช่ในห้องนี้จะที่พักง่ายๆครับอาาจรรย์คับไม่มีอะไรอาจจะไม่กข้าวหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ครับอาจารย์ครับได้เตรียมไว้แล้วครับ ทำไว้สองห้องเลยครับเผื่อเอผมกับภรรยาแต่มันแยกกันแยกโซนอนย่างกับครับก็ดีครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับเดี๋ยวผมจะขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนบ้างนะครับอันนี้คําถามยาวมีสองสองสองคำถามมาด้วยกันครับคุณวรรณภาครับตอนนี้ลูกพอเข้าใจแล้วว่าที่ความคิดมันฟุ้งจนหยุดความคิดไม่ได้เพราะพยายามจะหยุดความคิดโดยขาดกําลังสติค่ะและยิ่งกลายเป็นว่า อยากได้ความสงบเหมือนวันก่อนที่เคยทําได้ดีพอบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆจิตใจก็เริ่มสงบเกิดมีคําว่าตรายลักษณ์ปรากฏขึ้นแล้วใจก็น้อมเอามาคิดต่อว่าความสงบครั้งนั้นจบไปแล้วหากยึดเอาจะเป็นทุกข์ใจก็เกิดความสงบเย็นทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติหลังจากนั้นมาในแต่ละวันที่ตื่นขึ้นมาโดยมากแล้วในใจมันก็นึกถึงการจเจริญสติทันทีมีวันหนึ่งลูกเดินอยู่แต่มารู้สึกว่าร่างกายเคลื่อนไหวแต่ข้างในนิ่ง ไม่เคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเบาสบายทั้งที่ร่างกายมีอาการปาดเจ็บเลื้อนหลังที่หลังและเขา่ารู้ว่าร่างกายหิวแต่ใจไม่เดือดร้อนรู้ว่าร่างกายเหนื่อยเพลียจากการทํางานแต่ใจไม่เดือดร้อนแต่ไม่นานความรู้สึกนิ่งนั้นก็หายไปนั่งคิดทบทวนดูก็สรุปได้ว่าควรจัดเวลาในชีวิตเพิ่มให้กับการเจริญสติลูกเข้าใจถูกผิดประการใดพระอาจารย์โปรดไม่ตาแนะนําลูกด้วยครับถูกต้องแล้วล่ะใจยะนิ่นใจสงบได้ต่องมามีสติเป็นผู้ ผู้ทําให้ให้สง บ, บความอยากให้มันสง บ, บนี้มันไ ม, ม, นไม่มันไม่หยุดความอยากหยุดความคิดได้ไม่ได้ทำใจให้สง บ, บได้แต่การใช้การเจริญสติเนี่ไม่ว่าจะเป็นการบริกรรมพุโทโธก็ดีหรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ดีอันนี้หละจะเป็นเหตุที่ทําให้ใจเบาใจเย็นใจสง บ, บใจไม่มุ่นวาไปกับเรื่อ ง, งเรื่องร่างกายแล้วเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆ อยู่ที่สติเนี่ยพระเจ้าถึงส่งสอนว่าสตินี่เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องของความสำคัญสำคัญกว่าสมาธิสำคัญกว่าปัญญาเพราะถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิปัญญาก็เกิดไม่ได้จึงให้เราพยายามหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยสติประธานส่วนนี้เป็นพระสูตรที่สำคัญมากที่สุด ถ้าเกี่ยวกับเรื่ององการปฏิบัติพยายาศึกษาให้เข้าใจแต่จะมีหลายหลายหลายขั้นนะในสติปัฏฐานส่วนขั้นแรกอายเจรสติขั้นทีสน่สามอายนั่งสมาธิเช่นนั่งอราปันสตินี้การแต่เวลานั่งกายขึ้นไหให้่ายมีสติอยู่ได้ขึ้นไหมวมีสติสัมปชัญญะ ร, ร, รู้รู้กับการขึ้นไหวทุกเ ย, ยื่อเยี่ยมอันนี้ก็จะรสติ พอมานั่งเฉยๆก็ให้นั่งดูอมหายใจก็ทำยีปาน จ, จาังปาจ่ายยารวมเป็นสมาธิแล้วชำนาญเป็นอุเบกขาตลอดเวลาไม่ตลอดเวลาแต่เป็นส่วนใหญ่เวลาในบางทีอุเบกขาสติอ่อนลงอุเบกขาก็จะอ่อนลงได้เวลานั้นก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมา ต, ตอนนั้นก็ต้อง ม, มาใช้พิการพิจารณาปัญญาเพื่อบรรลนั่งกาย มรลพทนานณามรลกิตตาว่าต่อไปอันนี้มันสามขั้นสามสี่ขั้นเลขั้นแรกการเจริญสติขั้นที่สองการเข้าสมาธิขั้นที่สามกา ร, รเจริญปัญญาเพื่อปล่อยวางคุณคาิษฐาครับอันนี้คําถามไม่จบครับยมลองนึกถึงอาการสามสิบสองแล้วแยกกระดูดออกไปวางเป็นกองกองเพื่อให้ใจละร่างกายว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ควรไปฟุง้งซ่านเรื่องต่างๆให้เสียเวลาเพราะร่างกายนี้ไม่ใช่เรา มีความสำคัญกับใจ ก, กว่าสมาธิเป็นสมาธิเพื่อไม่ให้ปุ่งซ่านเรื่องอื่นๆทุกอย่างเป็นของชั่วคราวรู้สึกทำใจสงบง่ายขึ้นค่ะและสามารถทำใจให้นิ่งจนตกหลุมได้แต่ว่าก็ว่างๆได้แค่แป๊บเดียวหลังจากนั้นนั่งสมาธิก็จะไปนาปัญญาเพื่อลาสังโยศสามข้อแรกตามที่ระอาจารย์ชี้แนะครับควรพยายามเน้นทาง้าสมาธิให้มากก่อนอย่าเพิ่งไปทางปัญญา ว่าห้าถ้าสมาธิยังกําลังไม่มากพอหรือแม้จะไปทางปัญญาก็อาจจะไม่สามารถละสมยชนได้รับความอยากได้แต่ก็ไม่ห้ามก็ลองพิจารณาด้วยก็ได้แตถ้าให้ดีพยายามฝึกสมาธิให้ชํานาญก่อนจะดีกว่าจนสามารถเข้าสมาธิได้ตลอดทั้งวันสามารถนักษาใจให้มีอุเบกขาได้ตลอดเวลาหลังจากนั้นมาพิจารณาทางปัญญา ได้ประโยชน์มากกว่าผลดีกว่าคุณแคทครับเวลาเจ็บป่วยหมอบอกรักษาหายได้แต่ใช้เงินเป็นล้านเราไม่อยากให้เป็นภาระครอบครัวปฏิเสธการรักษาและกลับบ้านรักษาแบบธรรมะโอสถไม่กลัวตายแบบนี้จะเป็นบาปไหมครับปัจจุบันอายุ60กว่าแล้วค่ะไม่บาปหรอกก็เป็นการการวิธีรักษารูปแบบหนึ่งสมัยพุทธกาก็ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหอ การักษากันไปตาธรรมชาตินเนี่ยเน้นทำด้านธรมรมโอสถถูกต้องแล้วเพราะถ้าใจเราไม่เครียดไม่ทุกข์แล้วมันก็ไม่มีปัญหาเลยร่า น, นกายต่อให้หมอดีขนาดไหนยานดีขนาดไหนมันก็อาจจะประวิงเวลานั้นอาจจะให้หายวันนี้แต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เจอเจอโรคใหม่ดังนั้นที่สุกา ร, รักษามันไม่ได้อยู่ดี่แต่ถ้าเรารักษาใจไม่ให้เครียดกับมันนะไม่ให้กลัวความตายแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเลย ญญาามันจะตายไม่อไหร่ก็ปล่อดมันตายได้อาจารย์ครับวันนี้เป็นคำถามฝากถามในกลุ่มหมอนะครับบอกมีหมอรุ่นน้องอยู่ไอซฝากถามพระอาจารย์ว่าเขาเคยฟังธรรมะบอกว่าการที่หมอไปช่วยยื้อชีวิตคนไข้ทั้งที่คนไข้เบนเด d แล้วแต่ญาติขอทำใจก่อนหมอต้องมาใช้กรรมกับเจ้ากรรมในเวรของคนไข้ด้วยหรือเปล่าครับออไม่หรอกเพราะว่าไม่มีเจตนาทาร้ายใคร มีเจตนาที่จะช่วยเหลือมันความเมตตาอันนี้ไม่มีส่วนไม่มีคนทางวิบากกับอะไรแต่ถ้าเป็นการรุนยาฆ่าเนี่อาจจะมีมีคนถ้ามีเจตนาที่ถึงแม้จะคิดว่าจะช่วยให้คนไข้พ้นจากความทุกข์ทรมานดแต่ทําด้วยการให้คนไข้ไตายไอ้อย่างเนี้ยจะมีวิบากตามมาอะไร คุณวีนาครับเรียนถามพระอาจารย์ว่าอะไรเป็นจุดสําคัญในคนเราตัดสินใจในการออกบวชและสลัทั้งโลกได้อย่างไม่ลังเลคะเพราะได้ความสุขจากการปฏิบัติทางแห่งที่มีคนณค่ากว่าความสุขที่ได้าจากการเป็นฆราวาสเมื่อเปรียบเทียบมในการได้รถใหม่เนี้ยแล้วคุณยังจะทนขับรถเก่าต่อใช่ไหม ว, วันนี้ออกรถใหม่ออกมาป้ายแดงแล้วคุณขับรถเก่าไว้ยี่สิบปีแล้ว พอได้รถใหม่ครับคุณจะเก็บรถเก่าอะไรหรือเปล่าจะใช้มันหรือเ่าไม่ใช้มันนะใช่ไยกให้คนอื่นไปหมดภาระไปขับรถหใหม่อเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันรถแทงทำชนะรถแทงปวกถ้าได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วมันจะเป็นสิ่งที่มีแรงนึงดูดใจใ ห, ให้ออกปฏิบัติให้ออกหมดเพราะอยากจะสร้างความสุขแบบนี้ให้มันมีอย่างท้าวอน มีอย่างต่อเนื่องมีอย่างตลอดเวลาตอนตอนที่สัมผัสแรกๆนี่มันยังเป็นแค่ชั่วครั้ช่วคราวแต่ก็รู้ว่าสามารถที่จะปฏิบัติทําให้มันสงบได้ตลอดเวลาแต่ต้องมีเวลาปฏิบัติต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะไรต้องไปปลุกตั้งนะครับอาจารย์ครับแต่ก็มีอีกแนวหนึ่งที่แบบมีความทุกข์มากๆแล้วก็เลย ตัดสินใจไปบวชเลยก็มีใช่ไหมครับอาจารย์ก็ ไ, กกกได้มันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันเนี่ยแต่ว่ามันมันไปแล้วมันจะไปรอดหรือเปล่า <Yeah. S 2> ก็ไม่แน่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาไปแล้วมีความจริงจังต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติหรือไม่สาเหตุของการบวชมีหลายสาเหตุ อ, ต อ, <c oughs> อย่างลุงปู่ลุงปู่ขาวนี้ไปบวชเพราะภรรยาไปมีชู้ ท่านจานับได้ตอนตั้นท่านเกิดจะไปฆ่าชู้กับฆ่าภรรยาแล้วพอดีได้สติยับยั้งไว้ก่อนนะคิดว่าถ้าเราไปฆ่าเขาเราก็เลวกว่าเขาเขาเพียงแต่ทำผิดศีลแค่การเมนันเองแต่เราไี่ไปทำฆ่ามานาติบาสเนี่ยกรรมมันหนักกว่ากันเยอะเราเลวกว่าเขาเยอะเระาได้สติก็อยู่แล้วก็เห็นโทษของการมีครอบครัวเห็นโทษของการมีคู่ครองว่ามานาณิจักทุกข์ขังหน้าตา อนิจจังมันไม่แน่นอนใช่ไหมทุ ก, กข้อควาไม่แน่นอนมันก็ทําให้เราทุกข์ใจไม่สบายใจหน้าตาเราก็ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ใ ห, ให้มันให้มันซื่อสัต์ให้เขาซื่อสัตย์ขอเราตลอดเวลาอยู่ขางเราไปตลอดเวลาก็ไม่ได้ไม่แน่นบาคนก็ซื่อสัตย์บางคนก็ไม่ซื่อสัต์ก็ได้เมื่อเห็นโทษของการในคู่คอรองก็เลยประกาศบอกชาวบ้านว่าขอยกภรรยาให้คู่ให้ชูไปเลยแล้วก็จ่าบลาไปด เพือ่อจะไปศึกษาปฏิบัติคำหลวงปู่มาแต่ในที่สุดท่านก็บรรมุหปู่ขาววัดธรรมของเพชรเนี่ยมีหลายสาเหตุบางคนมีนี้ก็อาจจะหลบหนี่หนีหนี้ก็ได้รางคนเป็นนักการเมืองเนี่จะเข้ามาเมืองไทยถ้ามันเป็นแบบเป็นพระเป็นเเขาก็อนุ ญ, ญาตให้อยู่ได้ไม่กล้าขับไล่ถ้าเป็นถ้าเป็นคาราวา่าเขาก็อาจจะมาขับได้สายสมได้ พอามาบวชเป็นพระเป็น เ, เ่ข้าไปเลยอะอโหสิกรรมกันเรื่องการเห็นของการบวชมันมีหลายเหตุด้วยกัน <c oughs> แต่เหตุที่แท้จริงที่ต้องการบวชก็คือเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ <c oughs> เพื่อให้ได้พบ ก, กับความสุขของพระนิพพานอันนี้คือเป้าหมายที่แท้จริง <c oughs> ถ้าเป็นเหตุอย่างอื่นเพราอเดีย๋ยวเหตการนั้นมันหมดไปผ่านไปก็าอาจจะเสร็จกันได้ใช่ไหม <c oughs> คุณหัวใจครับที่วัดพระอาจารย์ถ้าโยมจะไปปฏิบัติธรรมได้ไหมครับและต้องเตรียมตัวอย่างไรครับเกิดที่วัดนี่มันมีอยู่สองระดับด้วยกันระดับตอนผู้นั่งต้นนี้ก็จะพักอยู่ในตัววัดที่วัดเจ้าก็จะมีห้องพักให้อยู่แล้วก็มีกิจจำก ร, รให้ลงทำวัดชาวเย็นไหวพระสวหมือ์นั่งสมาธิทำเทศทำธรรมจากเจ้าอาวาสแต่ถ้าเป็นพวกที่ก็ระดับก้าวหน้าหน่อยเป็นคุณหมอเนี่ย เราก็จะไปปฏิบัติปีกเว่ยบนเขาเชียวซึ่งอยู่ใกล้ๆกับตัววัดอย่างวัดไตประมาณสามกิโลด้วยกันแต่บนเขาจะไม่มีไม่มีมมน้ําไม่มีไฟห้องน้ําก็จะเป็นห้องห้องน้ำรวมที่พักก็จะเป็นแค่แค่แล้วก็อยู่ในป่าไม่มีไม่มีฝ้าไม่มีอะไรไมีแค่หลังคาแล้วก็าจะามีผ้ากั้นไว้เทอานี้แล้วก็มีทาเดินจะปูไว้อันนี้ก็สําหรับผู้ที่ มีข่าวก้าวหน้าในทางปฏิบัติก็มีสองทางเลือกก็ติดต่อได้คุณหมอจะเป็นคนให้เขาเริ่มติดต่อ่างคุณหมอก็าาอ ไ, ดดได้าะฉะนั้นถ้าสะดวกก็คได้ครับอยหลังรายการผมแจ้งอีทีหนึ่งก็ได้ครับทานท่านครับถ้าจะอยู่ข้างล่างไว้ก็ติดต่อกับนักงานวัดจองที่พักได้ข้างล่าไม่เกินเจ็ดวันครับแต่ถ้าอยู่บนเขาต้องติดต่อกับผ้าบนเขาครับว่ามีที่ว่างหรือไม คุณญาย่าครับการเดินจงกรมสามารถเดินเอามือกอดอกหรือเอามือไพล่หลังได้หรือไม่ครับาธรรมเนียมท่านถือว่าเป็นกิริยาที่ไม่ไม่สํารวมไม่อ่อนน้อมเป็นเหมือนกับเป็นเจ้านาย เ, นอนออาเดินกอดอกก็เดินเดินควายหลังนี่ถึงจะไม่นด้หย่อสัวนใหญจะเอาเอาเอาเอามือซ้ายถ้ามือขวามือขวาถ้ามือซ้ายวางไว้ที่หน้าอที่หน้าเอวห้านหน้าแล้วก็เดินแบบกีฬา เดินสำรวไม่เดินนับเที่ยวช้อปปิ้งเดินแบบสำรวนมองไปแต่ข้างหน้าไม่มองซ้ายมองขวานะให้มีสติอยู่กับการเดินคุณน้อยหนาครับคารวาสามารถบรรลุธรรมได้ใช่ไหมคะบรรลุธรรมหมายถึงเข้าใจในแก่นแท้ของธรรมและไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลธรรมอันดีงามแค่นี้พอไหมค ะ, ะมันต้องรากกิเลสใหไ้ได้ นับความโลภกอดหลงละสัมโยชน์สิทิ์ให้ได้ถึงจะบรรลุธรได้เราไม่อ่านดูอะไรเราเรียว่าสัมโยชนิสิทมีอะไรบ้างเมื่อกิเลสมีอะไรบ้างกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงถ้ายางลงไปเป็นลายละเอียดมันก็เป็นสัมโยชนิสิคุณชินครับกาบเป็นถามดิฉันได้ศึกษาเรื่องขันห้าแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจอยากรบกวนพระอาจารย์ให้แนวทางทําความเข้าใจแบบไม่ยากสําหรับผู้เริ่มศึกษาเจ้าค่ะ ขันห้าก็เป็นส่วนประกอบของชีวิตพวงเราเนี่ยพเราทุกคนมีขันห้าขันห้านี้ก็มีแบ่งเป็นสองส่วนรูปประคันกับนามขระคันะรูปประคันก็มีมีมีหนึ่งขันก็คือร่างกายที่เราเรียกว่ารูปประคันที่มีอาการชาที่สองมีพองขนเล็ดฟันที่เราเห็นได้ด้วยด้วยตาของเรานี่คือรูปประคันในอีกสขันที่เรียกว่านามประคันนี่เป็นนามธรรม ไม่ใช่เป็นปรูปธรรมไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายแสัมผัสรับรู้ได้ด้วยใจเพราะมาจากใจขันทั้งสี่นามขันนี้อยู่ในใจของพวกเราทุกคนใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันนะมามามารวมกันมาทำกิบร่วมกันโดยใจที่เป็นผู้ควบคุมร่างกายเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรใจเป็นางายกายเป็นบา่าว ใจก็ใช้นามขันธ์สี่เนี่ยเป็นตัวสังเกตนะเป็นตัวรับรู้เรื่องราวที่เข้ามาทางร่างกายนามขันธ์ก็มีวิญญาณขันธ์วิญญาณก็คืออทําหน้าที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วสัญญาขันธ์ก็เป็นผู้ที่มามาทบทวนดูว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามานี้เป็นรูปอะไรเสียงอะไรคือสัญญาคือความจําได้หมายรู้ ที่จาได้พาคนนี้เคยเห็นคนที่มาก่อนจนําได้ชื่อนั้นชื่อนี้นั้นทำหน้าที่ของสัญญาแล้วพ อ, พอรู้ว่าเป็นอะไรขึ้นมาก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาถ้ารู้ว่าสิ่งที่เรารู้เรื่องมันไม่ดีแล้วก็ทุกเวทนาก็ตาง ม, มาถ้าเป็นสิ่งที่ดีสุขเวทนาก็ตามมาแล้วพอเกิดเวทนาขึ้นมาก็เกิดสังขารความคิดปุ่มต่างอันนี้ขันที่สี่ในนามขันขันแรกคือวิญญาขันที่สามคือสัญญา อันที่สามคือเวทนาอันนีเสี่คือสังขารคือความทีเ่เราจะทำจะไมกับสิ่งที่เรามาสัมผัสเรารู้ถ้ามันเป็นทุกข์เราก็อยากจะเดินหนีไปหรือไม่อยากจะเข้าไปใกล้ด้วยเช่นไปเห็นงูอย่างเงี้ยก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทำยังไงสังขารก็บอกให้ถอยสิ <laughs> หรือถ้าเป็นคนโหดร้ายทารุณก็จะข้าสิอะไรทาลายมันก็มันจะได้ ม, มาทำลายเรา นี่คือหน้าที่ของสังขารความคิดถูกแต่ถ้าเจอของดีเช่นเงินเงินทองมีคนยื่นเงินมาให้ทําไมก็รีบรับเสียอันนี้ก็หน้าที่ของสังขารนี่หลคือขันห้าที่ทําหน้าที่ที่เป็นเป็นตัวทําหน้าที่ของชีวิตเราชีวิตเรานี้ก็ประกอบด้วยแค่การห้านี่ค่ส่วนที่เราเห็นมีส่วนเดียวคือรูปประการคือร่างกายส่วนอีกสี่อันนี้เรา เราเราเราใช้มันเองโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราใช้เมตตาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเพราะไม่มีใครมาสอนให้เราวิเคราะห์แยกแยะดวงเป็นอะไรวันนี้ก็รู้แล้วเนี่ยเรามีนามาขนัขันขันสี่ขันที่เป็นส่วนของงานที่เรามองไม่เห็นด้วยตาของร่างกายมีวิญญาณที่มารับหน้าที่นับรูปสิ่งกินร้เข้าไปในใจ แ้วก็สัญญาเขมาแปลรูปเสียงกีแล้วว่าเป็นรูปอะไรเสียงอะไรแล้วพอแปลเสร็จก็เกิดเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาพอเกิดเวทนาขึ้นมาสังขารก็ทํางานแเราจะจะทำไงดีถ้าเป็นทุกข์ก็เวทนาก็ถอยถ้าเป็นสุขเวทนาก็เดินหน้าเข้าหาได้ถ้าเป็นแบบไม่ทุกข์ไม่สุขก็แล้วแต่เราบางทีเจอของที่เราไม่รู้ว่าสุขวิทุกว่ามีเป็นรูปมันมีเป็นคุณเป็นทอดเป็นเพศเป็นภัยหรือไม่ แล้วก็คุณมาริษาครับจากเหตุการณ์ช็อกโลกที่ตุรกีทําให้เห็นการทํางานของกฎตายักษและมรณานุสติขอความเมตตาพระอาจารย์เทศนาธรรมเรื่องการเตรียมตัวตายอย่างมีสติครับก็ <c oughs> นี้แหละพระาอาจารย์สรงสอนให้เราอย่างประมาทให้เรามันพิจนนะนารณามรณานุสติอยู่ทุกวันเ่อกิดมาแนละ้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพัดพลาดจากการเป็นปธรรมดา จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้นถ้าเรามันคิดอยู่บ่อยๆมันจะทําให้เราเตรียมตัวเตรียมใจไม่ลืมส่วนใหญที่คนตกใจกันเพราะลืมว่าตอนนี้จะต้องตายพอไปหาหมอหมอบอกเป็นอะไรทั้งวนที่นั้นที้หมดกําลังใจที่จะทําอะไรต่อไปเลยเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนถ้ามันเตรียมตัวเตรียมใจคิดอยู่เรื่อยๆมันจะเตรียมเตรียมรับกับเหตุการณ์ถึงแว่ายังจะทุกอยู่ ไมอย่างน้อยก็ไม่ถึงกับอหมดกำลังใจเพราะรู้อยู่แล้วมันจะต้องเกิดถ้าอยากจะให้ใจไม่ทุกกับมันก็ต้องไปเตรียมตัวจเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้เป็นอุบเบกขาให้ได้ถ้าใจเป็นอุบเบกขาได้เวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็รับมันได้บ่งได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ ต้องซ้อมเลยเหมือนนักมวยนักมวยกขาที ก, ก่อนจะขึ้นเวทีก็ต้องซ้อมโชกก่อนไม่ใช่อยู่ดีก็ขึ้นไปก็โดนก็นับท่นหนึ่เขาไม่เตรียมกไก่อ น, นอหรือนักศึกษานักเรียนก็ต้องเตรียมทำการบ้านไว้ก่อนใช่ไหมดูหนังสือไว้ก่อนหรือว่าเดีย๋ยวเขาจะต้องถามข้อใดข้อหนึ่งในในหนังสือที่เราเราเรียนเนี่ยก็เตรียมมาอ่านให้เกิดความเข้าใจจำให้ได้เวลาไปสอบก็จะตอบคําถามได้ ถ้าไม่ทําการบ้านเลยไม่ดูหนังสือเลยเวลาไปสอบก็ไม่รู้จะเอาอะไรเอาคําตอบมาจากที่ไหนอันนี้ก็เหมือนกันเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเข้าห้องสอบแล้วก็อสอบของเราเราก็รู้ด้วยว่าเป็นอะไรก็คือความแก่ความเจ็บความตายความพันผ้าจากกันเราก็ต้องมาเตรียมตัวเตรียมใจทดสอบใจเราดูว่าเราเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายเราใช้ได้ไหมไม่ทุกได้ไหมถ้าคิดว่ายัง เฉยไม่ได้ยังทุกข์อยู่ก็ต้องไปทําใจให้เฉยด้วยการฝึกสมาธินสฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาให้ได้พอใจเป็นอุเบกขาแล้วทีนี้ก็เฉยได้พอดีขึ้นมันให้หายไปนิดนึงครับพระอาจารย์ครับผมก็เห็นคนไข้คนเจ็บป่วยเยอะแล้วก็อันนี้ก็เลยได้ข้อคิดเหมือนกันครับว่าโอคนป่วยมันจะตายจะตายไม่ตายแต่คนดีๆกบตายก่อนก็เยอะไปเลยนะคระับอาจารย์อ mm ืม hmm. แอนดไม่แน่น่ะวันเราบาคนป่วยคนคนไปเยี่ยมคนป่วยกับตา ย, ย, ก, ยาก่อนก็มีาที่ยมก็เราไม่สบายก็มีญาติมาเยี่ยมคนหนึ่งเข้ากลับไปก็ตายก่อนก็เป็นความดันะออแล้วก็ตายพ่อเป็นมะเร็งยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ยรักษายอยู่ไปอยู่ได้หลายเดือนอ๋อครับแต่คนที่มาเยี่ยมญาติเป็นเป็นเป็นเคย ไปน้องเคยน้อไปเยี่ยมก็ไม่กี่วันหลังจากไปเยี่ยมคนไายคนที่ไปเยี่ยมก็ตายเลยทั้งนี้นไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรตายแบบประทันครับสึก <Yeah. S 1> เป็นน้องปวดใจวายเรื่องความดันไม่แน่ใจะอะไครับ <Yeah. S 1> ไม่มีการไปคาดคะเนดได้ว่าจะตายเมื่อไหร่ตายแบบไหนล้วคนนั่งกายสุขภาพแข็งแรงเดินข้ า, ามถนนถูกรถชนตายกันไป จะเจอแดินไว้ก็ไม่เห็นเลยไหวครับตายทีตั้งหลายหมื่นคนการตายมันมีหลายรูปแบบเลยครับแต่ที่แน่ๆก็คือความตายต้องต้องโป่งมาตงนี้นะต้องยอมรับให้ได้ต้องตายได้ๆต้องเจ็บคไขยได้ป่วยต้องแกนะ่แน่ๆเตรียมตัวทับข้อสอบเหล่นี้ได้เถอะมันไม่ยากฝึกสติฝึกสมาธิแล้วก็คอยสอนใจเตือนใจบ่อยๆว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นเพื่อจะได้ไม่ดึกเพื่อจะได้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ คุณอนันต์ครับคนที่มักโกหกเราทุกเรื่องเราอยากอยู่ให้ห่างๆแต่ต้องเจอทุกวันควรทําอย่างไรครับก็ทําใจเฉยๆไปเหมือนกับเราเจอดินฟ้าอากาศที่เราไม่ชอบเนี่ยฉันเจอฝนตกทุกวันเนี่ยเราก็ต้องอยู่กันไปเพราเราไปห้ามฝนไม่ให้ตกได้เราก็ไปห้ามคนไม่ให้เขามาอยู่ใกล้เราได้ถ้าก็มีเหตุที่จะทําทให้เขาต้องมาอยู่ใกล้เราแล้วก็ต้องอยู่ใกล้เขาไปเราอย่าไปอยากให้เขาไม่มาเลย เพราะความอยากนี่จะทาให้เราทุกข์แต่ถ้าเรายอมไม่ไม่ไปมีความอยากเขาจะมาก็มาเขาจะโกหกก็ไม่องเขาก็ขอให้เรารู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันก็ทํานั้นเองเราอยากประยักเปลี่ยนเขาอยากประยัดให้เขาเป็นคนดีพูดพูดแต่ความจริงแต่เมื่อเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเกิดความอยากมันก็จะทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดเประ่ยน คุณกานิกาครับได้ฝึกนั่งสมาธิมาเกือบปีแล้วค่ะตอนเช้าสี่สิบนาทีตอนค่ำหนึ่งชั่วโมงระหว่างวันก็พยายามมีสติอยู่กับพุทโธแต่ยังไม่มีผลของการปฏิบัติให้เห็นเลยค่ะยังฟุ้งเยอะไม่ค่อยมีสมาธิค่ะก็ะต้องลองไปปิดวิเมกโดยปฏิบัติแบบทั้งวันทั้งคืนอยู่บ้างจะได้ให้เจริญสติทั้งวันสลับกับการนั่งสมาธิอย่างอย่างคงอันนี้จะทําให้มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับความสงบได้เว่า เวลาที่เราให้กับการปฏิบัติมันมากขึ้นเหมือนชั่วโมงบินอ่ะยิ่งบินมากเท่าไหร่ความชานายก็มีมากขึ้นอพวกกับการเครื่องเนี่ยพวกที่ก็บินเยอะๆเนี่ยเขามีความเขามีความรู้รอบรอบตัวเรื่องของการบินไม่เหมือนกับพวกที่หัดใหม่มุ่งใหม่หัดขับนี่ยัยงทำํำแรงบัตรผิดๆถูกๆอ่เพราะยังไม่ชานาญการเห็น้อบพยาละเวลาเปลี่ยนิเวณให้ได้แล้วจะปฏิบัติให้มันยัง ทั้งันทั้งคืนยกเวลายกไว้เวลาหลับเท่า น, นั้นอนี้เดี๋ยนี้เขาก็มีหลักสูตรให้ไปเข้าคอร์สกันสำหรับผู้ที่เริ่มต้นถ้ายังไม่สามารถบังคับตัวให้ปฏิบัติตามลำพังได้ก็จะต้องไปเข้ากับกลุ่มเขาก่อนเข้ากลุ่มแล้วก็จะมีตารางให้ว่าเวลานี้ให้เดินโยกลมเวลานี้ให้หนักสมาธิเวลานี้ให้พักอันนี้รับประทานอาหาร ไปฝึกอย่างนั้นกาอนไมได้ไม่งั้นมันก็จะไม่ได้เป็นก่อเป็นกรรมทำแบบเวลาชั่วโมอครึ่งชวโมงสองครั้งนี้มันมันน้อยเปินไปนี่ไงคุณจุ๋มถามในแะง่ทางสายการที่เกี่ยวกับการสอนเด็กๆครับว่าจะเริ่มสอนทางสายการให้เด็กๆยังไงครับอาจารย์คือธรรมะของเด็กๆ ก, ก็มันก็มีกระจายให้เด็กในความเข้าร่วผู้หลักผู้ใหญ่ ให้มีสัมมาคารวะะรแล้วก็แล้วก็อย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นสอนเด็กก็อย่าไปรังแกผู้อื่นให้ให้รักให้ช่วยเหลือผู้อื่นะให้การเขาเดือดร้อรนอรสอนธรรมาระดับไหนก่อ น, เ, นเรื่องการภาวนาเรื่องอะไรนี่มันยังไม่ถึงก็เอาแค่นี้เอาแค่ความกตัญญูกตเวทีสัมมาคารวะในความเคารพ ในผู้หลักผู้ใหญ่เในผูบาอาจารย์แล้วก็อพามาวัดเนีย่ยวันนี้ก็มีพ่อแม่พาเด็กมาวัดมามาฟังเทศทน์ฟังธรรมกับพ่อแม่ก็มเองเด็กเระดับวันุ่งบ่ายพอดีญาติโยมทีงานก็ามาเตรียมตุ๊กตาให้เราแจกุ๊ <laughs> ตกตาตัวอะไให้แจกโอ้ดีใจอะ่ะยิ้มแป้นอ <laughs> ันนี้นเป็นการดึงใจดึงสอนเด็กให้เข้าวัดเี่ยให้เขาฝึก ในนั้นพอโตขึ้นถ้าเขาไม่เคยเข้าวัดอะไรเขายัไม่กล้าเข้าเพราะกลัวเขาไม่รู้จะเข้าไปทําอะไรแต่ถ้าพ่อแม่พามาทํากิจกรรมในวัดนี่เขาก็จะซึมซาบไปในตัวน้อยนี่คือวิธีสอนใหญ่เราพ่อแม่ต้องเป็นคนนาวอย่าสอนด้วยวาจาอย่างเดียวสอนลูกอย่าพูดคํำหยาดนั่นเดี๋ยวพ่อแม่ก็ทะเลาะกันว่าใช้คำหยาดต่อกันลูกมาเห็พ่อแม่ใช้คําหยาดเขาก็ใช้คําหยาดตามด้วย ต้องพยายามฝึกให้เขามีกิจกรรมทางศาสนาให้เลือกรู้จักทำบุญใส่บาตรมานั่งฟังเทศฟังธรรมกับพ่อแม่อะไรกน่าจะไม่ได้นั่งฟังก็นอนฟังก็แล้วแต่อย่างนั้นถ้ามีู่กับพ่อแม่เขาก็ไม่ไปไหนครับคุณปริญเพาถามทางสายกลางว่าคารวาแตกต่างกับพระสงฆ์หรือไม่ครับก็มันก็เหมือนกันเพยงแต่ว่ามากน้อยต่างกันห้ พระสงฆ์นี่ก็มีเวลามากก็ทางสายการก็ปฏิบัติหน้าคาราว่าอย่างวิืีที่ยกมานั้นบอกมีคาราว่า ก, ก็ได้แค่สองเวลาเช้าเย็นยแต่เราพระสงฆ์ก็ได้ทั้งหมดทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับทางสายการทำการก่อนก็รม่ไม่เหมือนกันคุณจิรัลัดครับการวิสาการพระอาจารย์ราวสองปีก่อนมีความขัดแย้งในครอบครัวทําให้ปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียว ที่คอนโดได้ปฏิบัติโดยบริกา ร, รพุทโธปัจจุบันรู้สึกใจเย็นไม่โกรธไม่พูดร้ายต่อผู้อื่นแล้วก็บอกว่านี้ถือว่าแล้วนี่ถือว่าเกนะ้าหน้านะนีถือว่าได้ผลนะได้ผนละ ก, การเป็นยไม่ไม่มันมีโอกาสที่ทําให้เราได้ชำระสติได้มากให้เราลํานับความคิดได้มากให้อยู่กับ ค, คนนั้นคนนี้ถ้าไม่ไปพูดคุยกับเขาก็ก็จะหาว่าเราโกรธเขาแล้เกลียดเขาหรือ่าก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันก็ต้องใช้ความคิด พออยู่คนเดียวมไม่มีผู้ที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยกันเลยไม่ต้องใช้ความคิดคุณพิมพ์พราครับสิ่งใดคือจุดชี้วัดว่าเราไม่ดำรงอยู่ในทางสายกลางคะอันนี้ก็อาจจะพราะามันทำแล้วไม่ได้ผลมันทุกข์เลยไม่ได้ผลอย่างพระพุทธเจ้าบอกอดฆ่ามาสี่ฆ่าวันก็ยังไม่ได้ผลแสดงว่ามันไม่ได้ทางสายกลางอะไรต้องหยุด คุณสัมพันธ์คร ik ับขอคำชี้ทางสว่างครับช่วงเช้าตอนที่กับผมนั่งสมาธิคนที่ทําไม่ดีกับผมจะเข้ามาตลอดเลยครับไม่อยากจะนึกถึงแต่แวบเข้ามาอยู่บ่อยๆผมควรทําอย่างไรครับก็อย่าไปสนใจให้รับใช้คําบริกับอยู่กับคําบริกับไปนั่งสมาธิอย่านั่งเฉยๆบางทีเวลานั่งดูรลงนี่มันจะไม่มีกําลังพอที่จะยับยั้งความคิดต่างๆได้ก็ใช้คำอะไรกับแทน ให่ไปทำรายการพุ่งตัวพุ่งตัวพุ่งตัวไปอาทินต่างๆมันก็จะไม่สามารถเข้ามาได้ถ้าเรามีการรายการพู่งตัอยู่อย่างต่อเนี่ยคุณกุ๊กไก่ครับแก้ชงมีผลจริงไหมคะแล้วนะถ้าแก้ชงให้ผู้อื่นจะสามารถทําได้หรือไม่ครับในศาสนาพุ่งไม่มีหรอกชงไม่ชงไม่รู้เป็นอะไรเลยอนะไรเป็นเรื่องของทารลกก็พบรู้กันขึ้นมา คุณนานาครับเราจะวางใจอย่างไรคะเมื่อรู้ว่ายังมีอุปทานยึดติด ก, กับสิ่งภายนอกที่มันเปลี่ยนแปลงเสมอเช่นค้าขายไม่ดีมีคู่แข่งเพิ่มหนูเข้าใจแต่ยังทำใจไม่ได้ยังร้อ น, นรนวุ่นวายใจเศร้าใจหรือเราต้องรู้สึกทุกข์ให้ดิ่งสุดๆคะก็เพราะความอยากของเรามันยังมีกำลังมากมันก็เลยทาให้เราไม่สามารถที่จะทาใจได้ ยังม่นวายใจกั น, นอยู่ก็ต้องคิดถึงความตายบางนะจะช่วยได้มานานนึสติเ mm hmm. มื่อเราจะเอาไปมากมายแค่ไหนตายไปก็ไปไม่ได้นะแม้แต่สมบัติชิ้นเดียวมาตัวเปล่ปาเปล่าแล้วไปตัวเปล่ปาเปล่าให้คิดอย่างนี้บ้างมันจะละความโลภความอยากให้น้อยลงได้เราเลยมานานนสติกันคนที่กู้แขกกับเราเขาก็เอา ไ, ไปไม่ได้ ก็ได้ไปเท่าไหร่เนี่ยตายไปก็ทิ้งไว้ในโลกนี้แหละไม่มีใครเอาอะไรไปได้การทํามาหากินนี่เพื่อมาเพื่อหากินเพื่อเพื่อกินเพื่ออยู่เท่านั้นหละเป้าหมายของการทำมาหากินไม่ได้เพื่อให้ร่ำให้รวยให้เพื่อมีสมบัติมีข้าวของเงินอะไรต่างๆเยอะแยองอยนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้เรามีความสุขและไม่เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีใช่ไหมที่นี่ยังเป็นก็คือการมีปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงดูร่างกายเราไม่ให้ไม่มีปัญหาเท่านั้นเอง ถ้าส่วนความสุขนี้ต้องไปหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมอันนั้นแหละจะเป็นความสุขที่แท้จริงให้ชิดอย่างนี้ถ้าจะหาความสุขจากการมีหายดิบการที่จากการเจริญในราบอย่างนี้ได้เงินทองมากเนีเงินทองนี่มันเป็นทุกขลาบได้มาแล้วก็ทุกข์เพราะจะต้องคอยดูแลรักษาหรือไม่ก็เอาไปใช้แบบซื้อลูกซื้อไใช้แบบไม่มีประโยชน์กับจิตใจหรือร่างกายซื้อของฟุ่มเฟือยอรต่ การนึ่งเหมนยาเสพติดไปเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังพึ่งกันถอง ม, มากกว่ามีไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายท่านเองพอแนละ้วคิดถึงความตายบ่อยๆนะอยากก่างว่าตายแล้วหาได้เท่าไหร่ก็ทิ้งไว้ให้คนอื่นหมดคนอื่นก็สบายไม่ต้องทําอะไรเรา อ, อุตส่าห์เหนื่อยถ้าเป็นถ้าตายแม่เขาให้เ ข, เขได้อยู่อยากสุขอยากสบายอยาจะเป็นคนรับใช้ก็เราก็ก็โลดไปอยากไป คุณกรกำมลครับการธรรมศส ก, การพระอาจารย์ค่ะอยากสอบถามการที่ได้สมาธิคือการจะต้องตกภวังเสมอหรือไม่เจ้าค่ะมันก็จะต้องเข้าสู่ความสงบแนี่ยพอของกา ง, งสะกดมันก็เหมือนกับนวดเปลี่ยนเกียร์นวดเปลี่ยนเกียร์ตัดไปสู่เกียร์สูงเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมีความมั้นเสถียเบาเสียงเครื่องยนต์ได้เลย จิตเวลามันตกภวนนังมันก็เหมือนก็นลดเปลี่ยนเกียร์มันก็จะรู้สึกเบาลงความรู้สึกในใจเบาขึ้นสมองมากขึ้นมันมันอาจจะตกภวังแบบควภาพก็มีแต่แล้วตกผวาตกภวางแบบทีละขั้นทีละขั้นเปลี่ยนเกียร์ทีละเกียร์ก็มีบางครั้งก็ลงแบบวควภาพจากเกียร์หนึ่งไปเกียร์สี่เลยบางครั้งก็จากเกียร์หนึ่งไปเกียร์สองจากเกียร์สองไปเกียร์สามไปเกียร์สี่ค่อยๆลงไปทีละขั้นก็มี แต่เราจะรู้สึกว่าให้มันเบามันเบาล ง, ม, าลงมันมีความแตกต่างสัมผัสรับรู้ได้คุณก้องครับขับเรียนถามพระอาจารย์ว่าหากเรามาภาวนาที่วัดแล้วอยากจะฝึกฝนโดยการเดินในที่มืดโดยไม่ใช้ไฟฉายทั้งที่เราสามารถใช้ได้โดยรู้ว่าอาจจะโดนงู ก, กัดและเราตั้งใจว่าหากโดนก็จะไม่ไปหาหมอแบบนี้สามารถปฏิบัติได้ไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราต้องการจะทำอะไร และเป้าหมายเราต้องการจะตัดความกลัวความเจ็บกลัวความตายแล้วก็เราก็ต้องลองทำอย่างนี้ดวแล้วเวลาถ้ามันคิดว่าจะถูกบุกกลัดคิดว่าจะตายก็ปลงเสียยอมว่าชีวิตเราถึงเวลาจะต้องตายแล้วก็ยอมรับความตายได้ถ้ามันไม่ตายมันก็มันจะหายกลัวความกลัวตายมันก็จะหายไปมันก็อยู่ที่เราว่าเราพร้อมที่จะมาปลง สังขารหรือไม่นั่งสังข า, าขารหรือคือนั่การนี้หรือไม่ถ้าเราการยราบมันก็ต้อง ม, มีเหตุการณ์ที่มานมักเข้าไป่ได้ล่วใช่ไหมที่มีความตายเข้ามาหรือบางทีนั่งเครื่องนื่องเครื่อ ง, เ ค, องเครื่องเสียงนั่งกลับตันบอกว่ารูคายตัวมันนะครับ <laughs> <laughs> อะไรก็อาจจะต้องพงกันละ <laughs> คุณเล็กครับ จิตรวมใหญ่ในวิปัสสนามีอาการอย่างไรบ้างคะและต่างจากจิตรวมในสมาธิอย่างไรคะมันมันรู้สึกมันมีความแน่น่นมากความหนักแน่นมากกว่าเวลารวมแบบสมาธิเวลารวมด้วยปัญญานี่มันหลักนั่นแล้วมันจะคงอยู่ในจิตได้นานไปตลอดเพราะมันมันมันหยุดได้ด้วยปัญญามันหยุดกิเลได้ด้วยปัญญา ต่างกับการหยุดกิเลสด้วยสติด้วยสติมันก็รวมลงเหมือนกันแต่มันมันไม่มันไม่ถาวรเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ได้กิเลสท่านั้นแต่ถ้าละกิเลสตอนนั้นได้ด้วยปัญญานี่มันจะไม่กลับอะไรต่อไปคุณแต้มสีครับผู้ที่เป็นพระโสดาบันจําเป็นต้องเจริญอสุภะทุกท่านไหมคะคือการเป็นโสดาบันการจะเป็นโสดาบันไม่ต่ำ การจะเป็นโสดาบันจากปุถุชนไปเป็นโสดาบันนี่ให้เจะาเลปล่อยวางร่างกายให้ได้ยอมยอมให้ร่างกายแก่เจ็บตายให้ได้แต่ถ้าจะขึ้นไปจากขั้นโสดาบันไปสู่ขั้นสกิรดาคากานาคามีเรื่อ น, นั้นน่าจะต้องเจริญจิต่อสุภาพเพื่อรักการมรราคค่ะให้ได้คุณเกตครับอยากกราบเรียนถามว่าในการปฏิบัตินั่งสมาธิดูลมหายใจดูกายภายในและภายนอก ใช้แตกต่างกันอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและปฏิบัติร่วมกันได้ไหมครับคือการนั่งสมาธินี้ขั้นแรกเราต้องใช้สติฝึกสติด้วยกันจเจริสติแล้ววิธีของการฝึกสติก็คือให้เราเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาอันนี้หมายถึงช่วงที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธิเนี่ยแค่เราทํากิจการมอะไรต่างๆทั้งหัดเนี่ยอย่าปล่อยให้ใจลอยไปที่ส่นใหญ่แล้มักจะทำสองอย่างพร้อมๆกัน ทีเราทำอะไรกับร่างกายแล้วใจแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเนี้ต่ออย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นการจลาสติถ้าเป็นการจลาสตินี้ใจต้องอยู่คู่กับร่างกายไปอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรลยอันนี้เมืราเป็นการดูกายเพื่อให้เกิดสติก็หยุดความคิดหยุดหยุดใจไม่ให้ลอยไปคิดถึงเรื่องต่างๆพอเรามีสติแล้วเราก็มานั่งสมาธินั่งหลับตาเวลานั่งหลับตาเราก็ดูลมหายใจเข้าออกแทน ดูลมเข้าออกที่ปลายจมกก็เป็นเหมอการฝึกสติมืนกากดูล่างกายนตอนนี้ล่างกายไม่เคลื่อนไหวร่างการไม่ทำอะไรแล้วก็ดูลมหายใจแทนดูล่างกายเพื่อทำให้ใจนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมานั้นเองคุณวันเพ็ญครับการเรียนถามพระอาจารย์ว่าทำบุญบ่อยๆเดือนหนึ่งทำหลายครั้งหมายถึงปักบาท กับนานๆนะอาจจะเป็นหนึ่งปีทําทีเดียวแต่มากหน่อยอย่างไหนได้อา น, นิสงส์มากกว่าคะมันก็เหมือนกินข้าวเลยโยมจะกินข้าวทุกวันดีแล้ว่าปีหนึ่งกินสักครั้งหนึ่งจิตใจมันก็เนหมือนร่างกายมันก็ต้องการบุญกุศลเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจงั้นทาทุกวันจะดีกว่ามันจะแล้วมันจะติดเป็นนิสัยแล้วมันจะทำง่ายกว่าแล้วมันจะทําได้มากกว่า เพราะว่าม <ank> er> ันเมื่อรวมกันแล้วมันจะได้มากกว่าทำครั้งเดียวเพราะเวลาถ้าเราทำครั้งเดียวบางทีเราจะเสียดายโอ๊ยทำไมต้องทําเยอะแยะขนาดนี้แต่ถ้าทำวันละร้อยหนึ่งยี่เดือนมันแค่สามพันใช่ไหมปีก็สามหมื่นแต่ถ้าเราจะทําหมือนธนาคารโอ้ยสามหม่นมันเยอะเแค่หมื่เดียวก็พอแล้วได้ยางหนึ่งคือเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่จะยังไม่ถึงเวลาที่เราจะทํา แึงเวลาที่เราทำบุลเราตายแล้วก่อ น, นเ่าก็จะไม่มีบุญติดตัวไปเลยนก่จะทำบ่อยๆทำให้มากตาจกํงหลังขาคุณโชติกรครับหลังจากปฏิบัติมาระยะหนึ่งโยมดูจิตตัวเองเริ่มลดละโภสะสอบอารมณ์ทั่วๆไปผ่านเว้นแต่ในเรื่องคติทางการเมืองศา ส, สนาและสถาบัน จะใช้หลักธรรมหรือมีวิธีการเพิ่มเติมอย่างไรเพื่อปล่อยวางจิตใจจากสิ่งดังกล่าวครับก็เรื่องของศาสนามันเป็นการเมืองเขาไม่ได้โยงออกมาคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องของที่เป็นของที่คนแต่ละคนมีความทัศนคติซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากคุยเรื่องการเมืองอยากคุยเรื่องศาสนาถ้าไม่อยากจะมีเรื่องกันเอาทัศนคติ ทางการเมืองถางการศาสนานี่มันไม่เหมือนกันนี่อัอย่างไ้คุยคุยในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ดีกว่าเรื่องทํามาหากินนี่ก่อนเราจะทําไงจะให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างนี้จะดีกว่าเรื่องนี้มันยังเป็นเรื่องสถาบันเรื่องศานนงสานานี่เราให้เป็นจิตของใครของมันก็แล้วแต่แต่ละคนมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันเขาจะเห็นด้วยก็เห็นไปเขาจะไม่เห็นด้วยก็แล้วไป ยนถ้าจะคุยก็คุยคัยคาคนที่มีความหคล้ายคลึงกันก็นจะไม่มีปัญหาคุณนันประพัฒนครับขอกลับเรียนถามค่ะการสวดมนต์ต้องเปล่งเสียงออกมาไหมคะสามารถสวดในใจได้ไหมเคยได้ยินมาว่าต้องสวดออกเสียงเพื่อเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ยินและอนุโมทนาจริงหรือเปล่าคะไม่จริงหรอไม่มีใครได้ยินนอกจากเราเท่ที่เราเป็นมนต์และการสวดที่ดีสุดก็คือสวดในใจวใใจ่าเป็นการภาวนา เป็นเนกระทำเลยครับพุโทโธพุโทโธแล้วเราจะได้ไม่ต้องทำให้ร่างกายต้องต้องเคลื่อนไหวเพราะการเคลื่อนไหวเพราร่างกายก็ะมายถึงแล้วจิตร่างมันผู้สั่ให้ร่างกายเคลื่อนไหวมันก็จะทําให้จิตต้องอยังทํางานอยู่ให้สวดไปภายในใจเดีกว่าความสงบใจได้มากกว่าการสวดออกเสียงการสวดมนต์่ไม่สวดให้กาฟังดังนั้นเทวดาเขาก็ไม่ไปเราเทวดาเขาก็ไม่อยากจะมาฟังการสวดของเรา เขาไปฟังเทศของท่านนี่ฮะบุคคลดีกคุณหลินครับผ้าจารยนขาหนูถึงร่างกายพิการแต่ใจไม่ทุกเพียงแต่หลับมีความสุขมากกว่าตื่นคะ่ะตื่นมาเหมือนอยู่ในห้องขังแล้วมีสัญญาณเสียงยังไม่หายไปแต่จะสื่อสารอะไรหนูไม่ทราบเหมือนเสียงสัญญาณเครื่องบินเจ้าคะ่ะหนูยังสงสัยมันคืออุดปกรณ์ในสมองหรือการสื่อสารของจิตหรือเปล่าเจ้าคะตอนแรกหนูนึกว่ามาทดสอบความกลัวตายแต่ปัจจุบัน มาเป็นระยะไม่ตั้งใจยากันชักหนูไม่ได้ทานเจ้าค่ะร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยลาป่วยเหมือนก่อนผ่าสมองเจ้าค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจมันก็เป็นเรื่องของปุการตูงแตกของใจเหล่านี้ใจเราออไม่มีความสงบไม่มีสติมันก็จะตูงแตกให้มีอะไรอาการอะไรต่างๆมากลดขึ้นมาได้ถ้าเราต้องการจะปฏิบัติกับอาการเหล่านี้ก็ให้เราสวดมนต์ไปแล้วบริกรรมพุโทโธพุโทโธไป เกาให้ควสำคัญอย่าไปสนใจกับอาการที่ปรากฏขึ้นมาในใจอองเราถ้าใจของเรามีสมติมีความสงบแล้วอาการตา่างๆมันก็จะลดน้อยหายไปเองหยุดไปเองคุณแต้มสีครับคิดว่าตนเองต้องเพ่งดูซากศพที่มีหนอนชัยแต่ดูรูปศพเหล่านี้แล้วไม่มีความรู้สึกกลัวหรือขยะขยงอย่างนี้ถือว่าถูกกับเราไหมคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอสุภะแบบไหนถูกกับเราครับ ก็ดูตอนที่เรามีเกาดมีการอารมณ์อยู่มีความคล้ายกันมาอยากจะร่วมหลับนอนกับร่างกายของใครคนใดคนหนึ่งเราดูอาการส่วนไหนของเขาที่ทําให้เราเห็นแล้วจะทําให้เราไม่อยากจะร่วมหลับนอนกับเขาอันจะเป็นพอภัยนะอาจารย์ดูการอุจจาระของเขาดูอุจจาระของเขาก็ได้ดูปัสสาวะของเขาก็ได้เรื่องอะไรมันไม่จะมันแล้วแต่ละคนมันไม่บางทีมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของ ของแต่ละบุคคลบางคนไม่ไม่ไม่ ไ, มไม่ชอบแบบนี้บางคนชอบแบบนี้มันก็เลยน่าน่าแต่คุณนาวาครับเมื่อคืนโยมฝันว่ามีผู้หญิงแปลกหน้าเขาถามหาน้ําดื่มบอกหิวมากในฝันโยมเอะใจว่าเขาเป็นวิญญาณ น, นี่โยมเลยหาน้ําที่เจ้าของเขาอนุญาตแล้วให้เขาดื่ม โยมถามเขาว่ารู้สึกดีขึ้นไหมเขาตอบกลับมาแต่โยมไม่เข้าใจโยมเลยถามเขาซ้ําๆพระอาจารย์ค้าแบบนี้จะฝันฟุ้งซ่านไปไหมคะหรือก็ควรทําบุญอุทิศให้เขาโยมคิดว่าถ้าไม่จริงอย่างน้อยก็เจ้าไปโยมเองก็ได้บุญขอคําชี้แนะเจ้าค่ะถ้าเราอยากจะทําบุญก็ได้แต่จริงก็ไม่จริงเราก็ไม่รู้ก็ทําเผื่อไปก็ได้อาจจะเป็นความคิดฟุ้ฟงซ่านของเราฟุงแตกไปก็ได้ คุณแพทครับโยมพยายามฝึกจิตด้วยการดูกายที่เคลื่อนไหวขณะที่รู้ว่ามือเคลื่อนอย่างไรกับมีภาพต่างๆขึ้นมาแทนที่จะเป็นคำนึกคิดแต่เป็นภาพอย่างนี้ถือว่าดูกายไม่ได้ผลใช่ไหมคะควรแก้ไขยอย่างไรครับดูกายที่เคลื่อนไหวหตอนไหนนี้ไม่ได้บอกมา ก็ดูว่าร่างกายของเราเเวลาที่เรากินข้าวก็ดูว่าร่างกายกำลังกินข้าวอยู่นะอาน้ําก็ดูว่าร่างกายกำลังอาบแล้วอยไม่มันมันมั น, ม, นมันที่เราเห็นได้ด้วยตาตาของเราเองนี่อันนี้มัคือการเจริญสติอยูการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ทราบไปไปมีภาพต่างๆขึ้นมาไหมมันไม่เข้าใจความหมายแค่นี้เป็นคำนิดคิดไ ม, ไม่ต้องนิดคิดเีย่ยมันเห็นกับตาเรา นั่งกายเราเดินแล้วก็รู้ว่าเราลังเดินอยู่กำลังกินกำลังนั่งกําลังทำอะไรแล้วก็รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของน่างกายมันไม่เห็นจะต้องมีคำนึกคิดอะไร<ม>ก็เห็นภาพชัดๆอยู่แล้วเห็นด้วยตาของร่างกายนี่แหละอันนี้คือการฝึกสติเป้าหมายก็คือไม่ให้ใจไปไปที่อื่นให้อยู่กับร่างกายไปตลอดเวลาได้ไหมไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ที่นั่นที่นี่ให้อยู่กับกายเฝ้าดูร่างกายเพียงอางเดีย อาจารย์ครับอย่างคําว่า น, นึกคิดนี่มันจะเป็นสังขารหรือเปล่าครับใช่สังขารมันจะเป็นตัวปรุงไปแล้วใช่ไหมครับใช่มันก็แต่ถ้าปรุงอยู่กับเรื่องของร่างกายก็ไม่เป็นไรมันก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ถ้าองค์เจ้าเรงปรุงว่าเราก็อาบน้ำแล้วตักข้าวแล้วต้องเคี้ยวต้องเกลือมันก็มีการนึกคิดบ้างแต่มันไม่ได้คิดเรื่องราวที่เป็นเรื่องเวลาอานึมันก็ตคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังทําอยู่ด้วย เราทำงานเขียนหนังสืออย่างนี้เก็ต้องมีสติโอการเขียนหนังสือหร้อว่าเราบาเขียน อ, อะไรหมอฉีดยาให้คนไข้ก็ต้องรู้รกำลังฉีดยาให้ก็ต้องคิดว่าเราบางฉีดยาหรือเปล่าอันนี้มันก็ต้องใช้ความคิดบ้างเพียงแต่ความคิดเหล่านี้มันไม่มันไม่มันไม่ทําให้ใจเราฟุง้งนะความคิดที่จำเป็นถ้ทาทำที่ดีก็ไม่อย่าทําอะไรได้เลยยิ่งดียะ่งได้ไม่คิดเลย เนเดินจงกรมอะไร เ, เ, เดินจงนกมไม่รักคิดอะไรเดี๋ยวดูเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปถ้ามันโดยคิดเราก็ใช้กรมบริการพูดโทคอยหยุดบัตรก็ได้คุณมาลิกาครับขอความเมตตาจากพระอาจารย์มีข้อสงสัยว่าการใช้ชีวิตถ้าไม่พูดนิ่งเฉยมักจะถูกเอาเปรียบสร้างความเดือดร้อนให้เสมอถามว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ใจเราเป็นทุกข์ยึดหลักสายกลางเจ้าคะ่ะ ก็ S <S <preach science> <weight> <analysis> เราก็ถ้าเราไม่โูรธนี่แล้วเราถูกเอาเปรียบแล้วก็ยอมให้เขาเาเปรียบไปเองมันก็จะไม่ทําให้เราทุกขที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาเอาเปรียบเราทีเราก็เรามองว่าบางทีเราก็ห้ามกับถ้าเราอยู่เฉยแล้วก็ห้ามกับไม่ได้เขาก็เขาก็จะเอาเปรียบเราถ้าเราไม่อยากจะทุกขกับการเอาเปรียบของเขาแล้วก็อยากไปอยากให้เขาไม่ไม่เอาเปรียบเราเท่านั้นเองเราอยากจะเอาเปรียบเอาไปที่เป็นการทำมือทำท่าไป ให้เขาไปมันก็จะไม่ทุกหลักสายการก็คือปล่อยวางเลยอุเบกขาทำใจนั่นก็อุเบกขาเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปแล้วห้ามก็ไม่ได้ก็เราก็ต้องทำใจคุณสาราเปาครับทำไมนึกถึงพระพุทธเจ้าจึงน้ำตาไหลอยู่เกือบทุกครั้งที่นึกถึงแบบตันหรือจุกอยู่ในอกครับ มันเป็นเรื่องความประทับใจส่วนตัวของแต่ละบุคคลบางคนเห็นดาราที่ชอบเก็ตีขึ้นมาแล้วน้ำตาไหลขึ้นมาจะมีอันนี้เป็นเรื่องของความประทับใจของจิตใจของแต่ละคนเวลาได้เห็นสิ่งที่ที่ประทับใจก็จะเกิดอาการปิติขึ้นมาน้ําตาหลั่งจะหละั่บางคนก็เนื้อเต้นเนื้อเือมือไม้สั่นไปหมดก็มี คุณปฐมพงศ์ครับกับเรียนถามครับอาจารย์ครับสตินี้มีมิจฉาสติไหมครับมีก็มีสติที่คิดเน่ยคิดเวลาทํางานเนี่ยเราใช้เรามีสติว่าการทํางานแต่เราคิดเรื่องงานจะทั้งจิตเราฟุ้งซ่านกันมา ก, ก็ได้ฟุ้งกับเรื่องงานอันนี้ก็ไปสมอการสมาสติก็คือสติแบบไม่คิดใจก็จะเบาจะเย็นจะสงบ คุณแต้มสีครับหลวงตามหาบัวเคยเล่าว่ามุ่งสนใจการปักปลดจนจิตเสื่อมหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าทําสมาธิไม่สงบนิ่งเหมือนเดิมหรือเปล่าครับใช่ช่วงนั้นท่านเป็นใช่เวลาการทําปลดอย่างเดียวไม่ไปฝึกไม่เข้าสมาธิเลยพอถึงเวลาทํำกดเสร็จประมาณเดือนหนึ่งกลับมาจะเข้าสมาธิมือนเข้าไม่ได้ลืมไปแล้ววิธีเข้าเข้าอย่างไร mm. อะไรพยายามค้นหา สาเหตุว่าทําไมเข้าไม่ได้แล้วตอนนั้นเข้าได้เพราะอะไรก็เห็นแล้วออกเข้าได้เพราะมีบริกรรมพุทโธพุทโธไม่ได่นหมือนกับีนตอนนี้มีความอยากเพราะเมื่อก่อนเคยเข้าได้ก็ที่ว่าเมื่อเข้าได้ก็ต้องเข้าได้เลยแต่เมื่อมันมาใช้คำบริกรรมมันก็เข้าไม่ได้ก็เลยต้องกลับมาฝึกคา บ, บริกรรมใหมเอาคํา บ, บริกรรมได้ตลอดเวลาปั๊บเวลานั่งสมาธิมันก็เข้าได้ทันที คุณเล็กครับการปฏิบัติโดยผ่านเวทนาแล้วทําไมจิตจึงรวมเป็นอุเบกขาได้ทั้งทั้งที่เป็นการทรมานร่างกายและการปฏิบัติโดยผ่านเวทนานเป็นทางสายกลางหรือมัชฉิมาปฏิปทาที่ช่วงเวลาใดคะเพรออไม่ได้เป็นการทรมานร่างกายหรอกเวทนามันเป็นเรื่องของของร่างกายอยู่แล้วร่างกายมันจะต้องเจ็บปว่วยใช่เวลาเจ็บไข้ได้ปวด่วยมันก็เป็นไข้ยอยนร่างกายก็ปวด ไปทั่วร่างกายด้วยอาการเจ็บปวดของไข้อันนี้เราก็เวลาเรานั่งสมาธิถ้ามันเกิดอาการเจ็บของร่างกายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายแล้วเราก็ใช้อาศัยการเจ็บปวดของที่ได้จากการสมาธิมาฝึกให้ทําจิตของเราให้ผ่านเม่ทนาให้ปล่อยวางเม่ทนาให้ได้ถ้าปล่อยถ้าปล่อยวางได้จิตก็จะสงบเป็นอุเบกขาถ้ายังไม่ปล่อย จิตมันก็จะฟุง้งมันก็จะยืดจะติดจะเกิดความอยากมันก็ไม่เป็นอุเบกขาพอเราใช้สติควบคุม บ, บังคับไม่ให้มันอยากพอหยุดความอยากนั้นจิตก็สงบไม่เป็นอุเบกขาแล้วต่อไปเราก็จะได้รู้ว่าเ อ, อเวลาที่เราเกิดาการเจ็บไข้ได้ป่วย น, นถ้าเราไม่มีอยากกินเราไม่อย่างนั้นเราก็มีธรรมะโ อ, อสถที่จะทําทให้ใจเราไม่ต้องทุกกับความเจ็บป่วยของร่างกายได้ ทีเวลาเกิดพวกเกิดปวดท้องขึ้นมาอย่างรุนแรงนะตอนนั้นไม่มียากินอย่านะ <Okay. S 1> ก็ใช้ธรรมะโอสถนะครับถือว่าการเจ็บท้องนั้นก็เป็นเหมือนเวทนาที่เราได้จากตอนที่เรานั่งสมาธิแล้วเราเคยผ่านเวทนาที่ได้จากการนั่งสมาธิอย่างนั้นแล้วก็ทําแบบนั้นถ้าเราผ่านด้วยการใช้กรรํำลังกายพุทโธแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปไว้อาการเจ็บท้องมันเจ็บไปเดี๋ยวจิตสงบจิตมันก็จะแยกออกจากร่างกายไปเอง แล้วก็จะไม่ทุกกับอาการเจ็บปวดของร่างกายได้อันนี้ไม่ได้เป็นการทรมาร์ร่างกายอะไอย่างใดมันในการฝึกฝึกเจิตให้เจอกับสภาพที่จะต้องเกิดขึ้นกับร่างกายวันใดวันหนึ่งข้างหน้าคือการเจ็บไข้ที่ปวดคุณอาทิตย์ครับการอุทิศกุศลให้คนหรือสัตว์ที่ตายไปแล้วถ้าพระสวดอุทิศให้ที่วัดจะได้กุศลมากกว่อุทิศเองหรือไม่ครับไม่หรอก ถ้าไม่เกี่ยวอะไรเรื่องการอุทิศนี่อยู่ที่คนให้คนที่อุทิศคนคนที่ยากอุทิศจะได้กุศลมากน้อยก็อยู่ที่ทําบุญมากน้อยทําบุญสิบบาทก็ได้กุศลสิบบาทถ้าทําบุญน้อยบาทก็ได้กุศลน้อยบา ท, บาทมันมากน้อยอยู่ที่การเสียชะละแบ่งปันของเราถ้าเราเสียสละมากเราก็จะได้บุญมากได้ได้กุศลมากเราก็อุทิศได้มากแค่นั้เอง ไม่ได้อยู่ที่พระพระไม่เกี่ยวเวลาที่พระท่านสวดยถ า, าสัพพีนี้เป็นการแสดงอแสดงธรรมสอนให้เรารู้ว่าการทําบุญมีคุณมีประโยชน์อย่างไรสามาทําแล้วทําให้เรามีความสุขเจริญด้วยอายุวันนั้นสุขพะพละแล้วก็สามารถแบ่งบุญที่เราทํานี้ให้แกัผู้โ ล, ล่งรับไปแล้วได้นั่นเองไม่ได้มาทําให้บุญทุของเรามากขึ้นเงินน้อยลง เวลาทำบุญเสร็จเราไม่น้อมารอให้พระให้มาสวดให้กับเราเราอุทิศได้เลยเช่นใส่บาตรปุ๊บพอพระเดินไปปุ๊บล้วก็นั่งลงที่เราใสาบานะ่บาตรนั้นก็องทิศไปเลยแล้วก็ไม่น้องใช้น้ําด้วยใช้น้ําใจบูญอยู่นี่ในใจครับคุณมาลีครับขอทําความเข้าใจเรื่องอธิสมานากายเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่เกิดจากการทําสมาธิไหมเจ้าคะ อันนี้ไม่ทราบเรยนะแบบเพรไม่ได้เก่งทางบาลไเลยไม่รู้มาทำอะไแต่เปนท้ายให้หน่อยได้ัหยครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบครับเดีเราถามว่าใหม่นะครับคุณแต้มสีครับทำไมบางคนมีลางสังหณ์คะเช่นพูดออกไปแล้วเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงหรือฝันเป็นลางหรือฝันเห็นเหตุการณ์ในอนาคตคนคนนั้นวิญาตามธรรมชาติใช่ไหมคะ ก็อาจจะเป็นความสามารถพิเศษของเขาก็ได้คุณพิตตี้ครับถ้ารู้สึกว่าเวลาหายใจแล้วอึดอัดทุกข์ค่ะอาจจะมาจากกรรมที่เคยทํามาต้องปฏิบัติและทําอย่างไรคะไม่ทราบว่าหายใจอึ ด, ดอัดเพราะอะไรบางทีอาจจะเป็นเรื่องของนง้ำร่างกายหรือเปล่าก็ต้องไปปรึกษาแพทย์อยู่หรือถด้มาเหนเื่อย ด, ดัดเพราะเครียดมันก็เป็นเรื่องของใจทำไหมฮะ เวลาเวลามันมีความเรียดบางทีก็รู้สึกมึดอาดกันได้ะะหายใจลำบากัดก็เราใช้สติ ร, ระบายความเครีครรดะะยดแบบความเครียดล่อลงอาการหึดอัหายใจก็จะลดน้อยลงไปใช้พุทโธพุทโธไปเวลาเกิดความเทรียดขึ้นมาเราทำให้รู้สึกอ่ะหายใจรับมึดอัดก็อาจจะต้องบรรเทาด้วยการเจริญสติด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธให้ความเครียดมันลดน้อยลงไป ความเครียดลดน้อยลงปัาการทางร่างกายก็อาจจะหายไปแต่ถ้ามันไม่หายก็ จ, จะเป็นเรื่องของการไม่ปกติของร่างกายก็ต้องไปปรึกษาพแพทย์ดคุณมาริสาครับเคยเห็นเคยหนึ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งเขามีโรคร้ายและไม่อยากให้เป็นภาระครอบครัวเขาขอทําการการลุญยาฆ่าตัวเองเขาจะบาปไหมครับบาปถ้าทําการลุญยาฆ่าถ้าฆ่าตัว ต, วตายเขาบาป ก็ถ้าปล่อยให้มันตายเองโดยไม่รักษานี่ไม่บาทนะคุณวิไลครับกรณีที่แพทย์ตรวจพบความผิดปกติของทารกในครรภ์และสั่งยุติการตั้งครรภ์โดยที่ผู้ที่เป็นมารดาไม่เต็มใจถือเป็นวิบากกรรมของแพทย์หรือมารดาครับเพราะปัจจุบันสามารถตรวจพบครับถ้ามารดาไม่เต็มใจแพทย์ทำไม่ได้มารดาต้องอนุ ญ, ญาตแพทย์ก่อนแพจะทําได้ใช่ไหมคุณห ใช่ครับฉันครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าวันดาไม่เต็มใจแล้วปล่อยให้หมอทำนมันก็ไม่ถูกถ้าไม่เต็มใจก็ต้องบอกเราไม่เต็มใจไม่ให้ทําถ้าบ่อยให้ก็ทําทำทำที่ในใจบอกไม่เต็มใจมันก็เหมือนกับเป็นการหลอกตัวเราเองไปเท่านั้นเองแต่ความเป็นจริงแล้วก็เราก็ยินดเย่เขาทำเราก็เต็มใจก็ทําคนเราถ้าไม่เต็มใจมันก็ต้องมันก็ต้องฝากฝืนใช่ไหมันก็ต้องต่อสู้ไปอย่านี้เกิดอะไรไม่เต็มใจจะ่ให้ทํา ก็แสดงว่าเราก็มีส่วนรู่นกับการทําให้ทารกนั่นตายท้าเราอนุญานให้หมอทําทํำเองก็ดีหรือสั่งให้หมอสั่งให้คนอื่นทำให้ก็มีก็ถือว่าบาปนี่เป็นปานาธิบาต์ก็อย่าไปมีลูกแต่อย่าไปอย่าไปเสพอย่าไปเสพกามเรื่องเรื่องวันเราก็มีวิธีป้องกันใช้ถุงใช้อะไรไปนี้วยมันจะแน่ไม่ตั้งขัดถ้าเราไม่ไม่มั่นใจว่า ลูกเจ้ามาเป็นอย่างไงก็อย่าประมาทนะก็ต้องมันจะทํำไงได้จะทําอะไรมันก็ต้องมีความรอบคอบสมัยนี้เรามีวิชาความรู้ไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมสมัยก่อนเราไม่รู้ตั้งันด้วยสายเหตุอะไรอย่างวนี้เราก็รู้กันแล้วก็มีวิธีป้องกันการตั้งคันได้หลากหลายวิธีด้วยกันเขเลือกคอาสิ คุณเบบี้คิดถามว่าผู้หญิงขึ้นไปนอนบนเขาได้ไหมครับผู้หญิงก็มีที่พักของผู้หญิงเหมือนกันก็มีที่ภาพของผู้หญิงบนเขาอยู่แต่ยากกันกึ่งส่วนค่ก็สามารถที่จะไปอยู่ได้แต่ต้องจอบที่พักเพต้องมีการเจองว่ามีบ้านไม่กี่หลังแล้วตอนนี้รับสิว่าระยะจองนี่เรื่องไปถึงเดือนมีนานแล้วมีนานแล้วเมษาแล้วคนจอบมันเยอะก็ลองถามคุณหมอดูถ้าอยากสนใจ เราจะบอกผู้ที่ติดต่อได้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องที่พักบนเขาได้คุณแต้มสีครับการให้อภัยได้บุญมากกว่าการให้ธรรมะใช่ไหมคะไม่หรอกธรรมะนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดการให้อภัยก็ทำให้ใจเราสงบไม่ไม่ทุกข์กับการอาฆาตพยาบาทแบบนี้ แต่ยังไม่ทําให้เราอดทนจากความทุกข์จากไม่มีเรื่องความโลภความอะไรต่างๆได้แตนะ่ถ้าให้ธรรมะเนี่ยธรรมะสามารถทําให้ความทุกข์ทัหลายหมดไปจากใจได้อย่างอย่างถาวรคุณโชชอบปากาครับถ้าพระสงฆ์ท่านยังต้องการยศตําแหน่งต่างๆไม่ทราบว่าจิตของท่านจะสามารถไปรู้ธรรมขั้นสูงได้ไหมครับไม่ถามท่านหรือว่าล่ะเนี่ไม่อยากจะตอบ อย่าไสนใจเรื่องจิตใจของคนอื่นเลดูจิตใจของเราก็พอ mm hmm. เราเราอย่างต้องการยึดตั้มต้องการกําแิดหรือเปล่ามีผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับพี่น้องทําให้เดือดร้อนตลอดเราจําต้องช่วยเหลือเพราะหน้าที่อย่างนี้ถือว่าทําทานใหม่เจ้าคะ่ะเราจะได้บุญไหมครับได้ได้ทําบุญทำทานไปก็ได้ช่วยเหลือผู้นี้คุณวัฒนาครับ กระผมผ่านเวทนาความเจ็บขาในเวลานั่งสมาธิไม่ได้ครับยิ่งทนความปวดยิ่งมากขึ้นครับต้องทนปวดบ่อยมากน้อยแค่ไหนครับถึงจะผ่านได้ครับหรือกรรมของผมมีมากครับเออมไม่ถูกวิธีงไงงานจการจะผ่านความเจ็บนี่ไม่ให้นั่งนั่งทนเฉยเฉยนั่งทนเฉยเฉยก็สู้ไม่ไหววิธีจะทำให้ผ่านเวทนาได้ต้องใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่าหยุดคำบริกรร เนี่ยพอจิตเข้าตกเข้าภาวะวัดมัน ก, ก็จะผ่านเวทนาได้คุณกิติกรถามว่าคารวาถือศีลห้าบรรลุธรรมได้ไหมครับก็ถ้าสามารถละขันยอนได้ก็บรรลุไดนะ้ถ้าศีลห้าอย่างเดียวไม่พอการจะบรรลุธรรมนี้ต้องมีทัง้งศีลทั้งสมาธิและทั้งปัญญาถึงจะบรรลุธรรมได้คุณวันเพ็ญครับ ถ้าเวลาใกล้าตายแล้วหายใจลำบากใช้การดูลมหายลมเข้าออกไม่ได้เปลี่ยนมาร ล, ลึกถึงภาพพระอริยสงฆ์เพื่อทางไปสู่สุขคติโดยทุกวันนี้ภาพุโทโธแบบไว้ในจิตเจ้าค่าะก็ริ้มแต่เอาใชว้วิธีไหนก็ได้ถ้าทามใจให้ฉันผมได้ก็ไปสู่สุขคติได้ คุณชอบประกาครับมีคนกล่าวว่าถ้าปัจจุบันเราไม่ช่วยกันสร้างศาสนาวัตถุต่างๆเช่นวัดเจดีย์ต่างๆให้คนได้มากราบไหว้บูชาต่อไปศาสนาเราก็จะเสื่อมไปอย่างนี้จริงไหมครับเไม่จริงหรอกศาสนาจะเสื่อมไม่เสื่อมอยู่ที่การศึกษาปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าเท่า น, นั้นเองไม่ได้อยู่ที่กถาวรวัตถุใดอย่างใดถ้ามีถาวรวัตถุแต่ไม่มีการศึกษาปฏิบัติทำศึกาาษาศาสนาก็จะเสื่อมไป ว่าจะไม่มีใครเข้าใจว่าศาสนาสอนให้เราทำอะไรกันให้ปฏิบัติอย่างไรกันนั่นอยู่ที่การศึกษาปฏิบัติและการบรรลุธรรมและการเผยแผ่ธรรตามลําดับต่อไปอย่างนีให้าศาสนาอยู่กันได้อ ย, ย่างยาวนานคุณเกตรครับถ้าเรามีเวลาชั่วโมงหนึ่งในการทําสมาธิควรนั่งคาลละชั่วโมงหรือแบ่งเป็นสองครั้งเช้าเย็นครั้งละครึ่งชั่วโมงดีคะอันไหนจะได้ผลมากกว่ากันคะ ก็ลองทําดูแล้วกันคุณประชาครับมีบางคนไม่รักษาศีลห้าพอเห็นคนอื่นไม่ดื่มเหล้าก็พยายามชวนแล้วบอกคนอื่นเดินสายกลางแบบนี้เราควรกล่าวกับเขาอย่างไรดีครับก็ไมารู้มือนกันจะกล่าวว่าไงการถือศีลห้านนนเ น, นี่ยเปการการเดินทามสายกลางถ้าไม่ถือศีลก็แสดงว่าไม่ได้อยู่ในทางสายกลาง เพราะเสียงก็เป็นส่ว น, นของมัคเนี่ยมัคแปดคุณสนิการครับผู้ที่ไม่ใช่พุทธศาสนิกชนหรือคนที่ไม่มีศาสนามีโอกาสดับทุกข์โดยสิ้นเชิงหรือคือเข้าถึงนิพพานได้ไหมครับถ้าเขาสามารถปฏิบัติตามคาสอนพรเจ้าได้เขาก็บรรลุได้ถ้าถ้าเขาปฏิบัติตสิ่สมาธิปัญญาได้เขาก็บรรลุธรรมได้เช่นชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาอื่น เขาก็มาศึกษาและมาปฏิบัติินสมาธิปัญญาเขาก็มาทุกทาได้คุณมาคัสสีครับหากเรานั่งสมาธิเราจําเป็นต้องทนกับความเจ็บปวดกับขาที่ชาหรือพลิกขาอย่างมีสติเพื่อหนีจากความเจ็บปวดครับเราไม่ให้หนีถ้าเราต้องการที่จะผ่านความเจ็บปวดเราต้องฝึงกจิตให้อยู่กับความเจ็บปวดให้ได้ ด้วยการใช้คำบาลีครพุ่งเถุ่งเถไปกุนเอนโรสครับขออนุญาตถามพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกว่าพระปฏิบัติได้ทั้งวันคาราวาสปฏิบัติแค่เช้าเย็นถ้าเราปฏิบัติจเจริญสติทั้งวันระหว่างทํางานนี้ไม่ถือว่าปฏิบัติหรือคะคือไม่นับว่าเป็นเวลาปฏิบัติหรอครับไม่นับหรอกว่าการเจริญสติทั้งวันเราทํางานนี้มันไม่ได้หยุดขาดคิดไง การทำงานจะต้องใช้ปากทิศน้ำกาจะไม่สามารถนั่งสมาธิได้เพราะนอกจากการสินสติแเองต้องนั่งสมาธิด้วยจิตถึงจะเข้าสู่ความสงบงได้คุณลังสีครับพระที่ต้องอาบัติปราชิกแล้วกลับมาเป็นคาราวา์และปฏิบัติธรรมสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับ ก็อยู่ที่ว่าสามารถเจริญนั่งแปะได้หรือไม่ถ้าเจริญนั่งแปะได้ก็บรรลุได้ถ้าเจริญไม่ได้ก็บรรลุไม่ได้มันอยู่ที่าการปฏิบัติมั่งแปะนั่คุณพีบัก ค, ครับคุณแม่อายุมากชอบทําบุญแต่ไม่ได้สวดมนต์ภาวนาและยังมีความหวงไม่ปล่อยวางผู้เป็นลูกจะช่วยท่านอย่างไรดีคะอันนี้เป็นเรื่องตัวใครตัวมันช่วยกันไม่ได้เรื่องเรื่องจิตใจของแต่ละคน ต้ปฏิบัติกันเองก็ชวนให้แม่ไปไปภาวนากันผมว่าม า, มาแม่ไปวัดแม่ไปอยู่วัดทักษามันเลยทั้งหมดนี้นคุณปียพงศ์ครับผมเห็นสังฆทานเวียนตามวัดที่เป็นถังทําแล้วอย่างนี้ได้บุญไหมครับถ้าเงินเข้าวัดก็ได้บุญเพราะว่าวัดวัดเป็นก้าใช้จ่ายทายาทโยไม่ได้อยอมถวายเงินโดยตรงให้กับวัด เพื่อเอาไปใช้ใช้ชำระหนี้สงูงต่างทาว่าตอนเดียวก็ต้องใช้อุบายเอาสัตเอาสัตวทานที่ที่ถวายมาแล้วพระท่านจะไม่ได้ใช้เพราะป็นของซ้ําๆำซากซากันเนีก็เลยเอาของที่ญาตยมถวายนี่กลับมาขายพ็จะได้เอาเงินที่ยญานยมซื้อนี่ไปใช้กับค่าใช้ใจ่ายของทาวัดเป็นชำระหนี้สูงได้แต่คน ท, ทําคนทําก็จะได้ ไม่มีปัญหาะไรคนทำสังกทัทานจะเวียนไม่เวียนที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนทำ ค, คุณแพนครับถ้าได้ความสงบนั้นมาแล้วหลังตกผวังแล้วควรทำอย่างไรต่อครับก็ให้มันสงบ น, นานๆสงบบ่อยๆสงบทั้งวันเนี่ยทำบ่อยๆคุณรัต ด, ดาวันครับ จะแก้ความคิดที่เกิดจากการปรามาตรในใจโดยที่เราไม่อยากคิดไม่ดีแก้อย่างไงคะรู้สึกกลัวจนบางทีไม่กล้าฟังธรรมครับก็เวลามันคิดก็ใช้คำเลยการพุโทโธหยุดมันเลยมันจะปรามาตรข่ายก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพอเราพุโทโธไปมันก็ไปปรามาตไม่ได้ทุกครั้งที่มันจะคิดปรามาตก็บอกว่าอย่าอย่าปรามาตหยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธเพราะการปรามาตไม่เกิดไประโยชนอะไรครับ คุณฮน า, าครับผมควรแนะนําลูกศิษย์ผมที่หลงผิดไปยึดถือเทพแบบสุดโต่งไหมครับหรือปล่อยเขาไปตามเวรตามกรรมครับก็อยู่ที่เขาว่าเขายินดีที่จะฟังคำสอนของเราหรือไม่คำเธออนของเราหรือไม่ถ้าเขายินดีแล้วก็บอกเขาไปแล้วก็ไม่ยินดีพูดไปก็เสียเวลาเปล่าๆแล้ก็ไม่ฟังเราดีคุณพันธิวาครับ เคยฟังในคลิปพระอาจารย์กล่าวว่าคนรวยจะไปบวชได้ยากเป็นเพราะเหตุใดครับข้อหงสมบัติไงหงสมบัติอ่ายิ่งมีมากมันยิ่งเสียดายมากคนจนไม่มีสมบัติก็ไปง่ายเนี่ยเพราะไม่มีอะไรต้องห่วง้องหวกคุณชัยครับเวลานั่งสมาธิจมูกข้างซ้ายจะตันๆและร้อนบุบบ้าเป็นเพราะอะไรครับไมรู้อนกั <laughs> มัก็เป็นเวลาหน้าสมาธิแต่ละครั้งนี่กิเลสมันจะสร้างอาการกแปลกๆมาหลอกเราอยู่ด้วยแต่เวลานั่งดูหนังเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่ไม่รู้เสกอะไรเลยใช่ไหนี่เขเรียกว่าอาการของกิเลสกิเลสสมาเขเลยกิเลสสมาสมาที่เกิดจากกิเลสมาสร้างอาการเพื่อมาเป็นอุปสรรคในะการปฏิบัติของเรานทนี้เราก็อย่าไปสนใจมันมันจะเป็นอะไรก็เราก็ทําหน้าที่ของเราไปนั่งสมาธิก็นั่งไป ประานนอน้นั่งเล่นไพ่เวลานั่งดูหนังไม่เป็นอะไรเลยนั่งได้ทั้งคืนพอันนั่งสงสารที่สักสิบนาทีนี้มีปัญหาขึ้นมาคุณหมูครับถ้าเราสะกดอ่านบทสวดมนต์ผิดเราสวดมนต์ไปนี้เราจะได้บุญไหมครับบุญไม่บุญได้บุญไม่บุญอยู่ที่มันจิตสงบมันไม่สงบถ้าจิตสงบก็ได้บุญถ้าไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญ คุณประจักษ์พงศ์ครับสติสมาธิที่เห็นไตรลักษณ์นี้แล้วดูเฉยเฉยสงบเป็นสมถะหากพิจารณาต่อเป็นวิปัสนาอย่างนี้เข้าใจถูกหรือไม่ครับไม่ถูกหรอกคือจิตสงบนี่ก็เรื่องของจิตสงบเราไม่พิจารณาจิตสงบให้เป็นวิปัสนาเราไม่พิจารณาเรื่องที่เราไปยึดติดคือร่างกายของเราว่าร่างกายของเราเป็นไตรลักษณ์ก่อนแก่เจ็บตายไม่เที่ยงถ้าเราไปยึดไปติด ไปอยาให้มันไม่แก่ไม่เจบ็บไม่ตายมันก็จะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยให้มันแก่มันเจบ็บมันตายไปตามธรรมาชาติอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาคุณอาครับดีเวลา่าเช่นอยู่ในห้องพระรู้สึกไม่ดีมากๆว่าทำไมาจิตคิดไปได้แก้ไข ย, ยังไรดีคะก็ใช้คำเล่นคำพุทโธพุทโธไป มันาจะเป็นนิสัยเดิมของเราที่ชอบที่ไปในทางไม่ดีเรืยก็เราห้ามมันไม่ได้แต่เราหยุดมันได้ด้วยการใช้บริกรรมคำบริกรรมห้ามไม่้มันคิดไปได้ให้มันเกิดขึ้นมาไม่ได้แต่พอมันเกิดขึ้นมาเราก็หยุดมันได้ด้วยการใช้คําบริกรรมเถอะคุณตรงฤทกครับสอบถามพระอาจารย์ครับเราศึกษาเรื่องขันห้าเพื่อให้ละทิ้งขันห้าใช่หรือเปล่าครับเพื่อแม่เราไปยึดติด ให้เราปล่อยว่างให้เรายอมรับ ว, ว่าขันห้ามันไม่เที่ยง ม, มีเกิดไม่ดับนั่งกายมีเกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีธรรามีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างเราอยากไปต้องอยาไปอยากให้มันเป็นอย่างไดอย่างหนึ่งซึ่งมันเปลี่ยนไปไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนัเราจะไม่ทุกข์หมดคือการละขันห้าทำด้วย ก็ได้มุญฐานจะได้ได้ ไ, ดไม่ไม่ได้ปิติคือทำแบบถูกบังคับไห้ทำแต่ก็ยังได้อยู่ว่ายังก็ต้องตักดก็ยังต้องเสียสละเงินการนั่นไปก็ยังชนะก็ยังได้ได้การเสียสละอยู่แต่อาจจะไม่ได้ความรู้สึกที่เพิ่มปิติเหมือนกับเวลาทำแบบความยินดีจะทาเวลาเราทำหมาความยินดีนี่เราเราได้เพิ่มความเพิ่มปิติเแล้วเราได้ชนะกิเลสคือความ ความวความยึดติดกับในสมัยก้อนทั้งได้คุณสาะเปาครับถ้าเราปล่อยวางได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกใช่หรือไม่เจ้าคะ่ะปล่อยวางทุกอย่างไนดะ้ปล่อยวางทุกอย่างที่มีในใจนะไม่มียึดไปติดไม่มีความอยากกับอะไรทั้งทั้งหมดในตายพบก็ไม่กลับมาเกิดนะถ้ายังยึดติดอยู่กับพบได้พบหก็ยังต้องกลับมาเกิด การมาพบเลยหรือมาพบเวลาเราประพบนี่คุณกำมลครับการฟังพระเทศโดยการนอนฟังทางโทรศัพท์ได้ไหมคะก็แล้วแต่เราเนี่ยแม่ถ้าเราอยู่ในที่ที่เป็น private ที่ทเป็นส่วนตัวเราเราจะฟังในท่าไหนก็ได้แต่ถ้าอยากจะฟังให้ได้ผลดีก็ควรจะฟังในท่านั่งสมาธิจะดีกว่ามันจะได้ไมหมหรอถ้าอยู่ในท่านอนฟังไป พระเทนตั้ง้โมไม่ทันเสร็จก็หลับไปแล้วก็มีครอบครอกขนก็ยังไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการทำเทศคุณกระมนมีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแขนขาอ่อนแรงนอนฟังพระเทศนแขนขาอ่อนแรงแต่ตั้งใจนะครับได้มันบุญอยู่ที่การการทําใจให้สงบจากการฟังเทศหรือจากการได้ปัญญาเข้าใจหลักธรรมนี้นี้ก็จะได้ คุณเวลาที่เหลืออยู่บอกลูกไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ต้องทำยังไงเจ้าคะไม่เชื่อก็ปล่อยเพราะไม่เชื่อไปจะทําไงได้ต้เาเป็นกล้วยเราอยากจะไปให้ต้อเป็นส้มได้ยังไงเขาไม่เชื่อก็ไม่เชื่อจะทําังไงคุณสุพรรษาครับการบูชานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นพญา น, นาคท้าเวสสุวรรณทำให้เราสามารถพ้นทุก์ได้ไหมคะไม่ได้นะ แม้แต่บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉยๆก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติบูชาถึงจะได้ต้องปฏิบัติตามคำสอนองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงจะหลุดพด้นจากขามจุกได้ยิ่งแต่กราบไหว้บูชาด้ว ย, ด, ยวดอกไม้ธูปเทียนนี้ไม่พ้นทุกข์แม้แต่จา ก, การาบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ตามพระเจ้าถึงสอนให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาไม่ให้บูชาด้วยการใช้อบิสบูชาก็คือการใช้ เครื่องสักการะต่างๆเช่นดอกไม้ทูกเทียนคุณกิติกรครับฆราวาสที่บรรลุธรรมแล้วสามารถทำหน้าที่คู่ครองให้อีกฝ่ายได้หรือไม่ครับ้แต่ว่าขั้นอยู่ที่ขั้นไหนถ้าถ้าเข้าถึงขั้นที่สามไรแล้วเจะไม่มีความอยากที่จะอยู่กับคู่ครองอีกต่อไปคุณมาสเตอร์นิตาครับจิตเห็นจิตในจิต แยกขันห้าได้เห็นว่าจิตมีเกิดดับเห็นจิตมีหลายดวงขอแนะนำในการปฏิบัติเจ้าค่ะเออต้องไม่ทุกข์กับจิตต้องไม่ทุกข์กับอาการต่างๆของจิตจิตจะเศร้าหมองก็ไม่ทุกข์จิตจะเครียดก็ไม่ทุกข์รู้จากความเป็นเท่ของวันนี้คำถามหมดแล้วครับพระอาจารย์สามตรงขึ้นพอดีพอพดีเลยคอับอาจารย์ครับ ข อ, อกากรอาจารย์ครับมีคนเพื่อนๆนฟังธรรมอยู่ใน f a c e b o o ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดคนใน y o u t u เจ็ดร้อยสิบเก้าคนในครับเ o า s ์สิบแปดคนมีเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนฟังธรรมด้วยกันตอนนี้หนึ่งพันสามรอยสิบสี่คนนะครับอาจารย์ครับขออนุโมทน า, าสาธุกับทุกท่านที่มีความสนใจในการศึกษาฟรรเทศทน์ธรรมเพื่อจะได้นำมาใช้ ในการปฏิบัติทมที่ถูกต้องเพื่อผลคือการหลุดพ้นจากควาทุกที่จะตามมาต่อไปการแสดงการสนทนาธรรมสำหรับคืนนี้ที่รับองค์สมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินไดน้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพืพ่อความสงบความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งย่งขึ้นไปเอถอะก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฝัง ไปเพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุกัดค์าอะไรก็คงจะได้พบกนันในวันอาทิตย์เช่นเคยขอเจริญพรกรขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ